ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องเจึกอุตุชีวะจิตตะกรรมและธรรมะโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน 2,542 ที่พุทธสถานปฐมสกขขอเชิญท่านติตารุกฝั่งได้นะบัดนี้ เวลาไม่หยุดหย่อนเวลาเกิดจากทุกอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในมหาจักรวาล น, นีในมหาจักรวาลก็มีธาตุดินน้ามลมไฟอากาศและก็มีวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานหนึ่งในมหาจักรวาล น, นี้ พลังงานนี้เป็นพลังงานที่ได้สังเคราะห์ขึ้นมาในจักรวาล น, นี้เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพลังงานของในโลกเนี่ยในมหาจักรวาล น, นี่นะจึงมีนิยามนิยามพลังงานต่างๆเอาไว้ อาตมาก็ได้เอาออกมาขยายเอามาเขียนอธิบายฟังอยู่แล้วนะในท่านผู้รู้เก่าแกนะ่ท่านก็ไดเอามาขยายความกันแต่ว่าอาตมาเอามาขยายความให้ละเอียดขึ้นไปอีกแปลความขึ้นไปอีกให้เห็นความสำคัญถึง พลังงานต่างๆพวกนี้นิยามที่ว่านั่นก็คือนิยาม5ที่ว่าอุตุนิยามพีชนะนิยามจิตนิยามกรรมนิยามแลวก็ธรรมนิยามซึ่งมี5นิยามนั้นถ้าใครได้อ่านหนังสือ จักรวาลชีวิตหรือว่านิยามแห่งชีวิตที่พระธมาได้เอานิยามห้านี้มาขยายก <c oughs> ็คงจะพอได้เข้าใจไปบ้างแล้วนะ พลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็เป็นพลังงานรวมอยู่ในมหาจักรวาล น, นี่แหละและก็รวมกันตั้งแต่ย่อยจนกระทั่งรวมกันไปเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มของดินน้ำลมไฟนะหรือว่าธาตุทางฟิสิกส์ก็ความร้อนแสงเสียงไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งเป็นคุณลักษณะ ทางวิทยาศาสตร์ก็มีครบพร้อมอยู่ในนั้นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดรวมกันอยู่เต็มเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ท <pin: loved> ี่สุดซึ่งแยกอยู่ในมหาจักรวาลนี้ก็เป็นองค์รวมที่เราเรียกว่าเป็น พระอาทิตย์ที่เป็นองค์รวมอยู่ในจุดกลางของกาแล็กซีต่างๆจักรวาลต่างๆสุริยะจักรวาลต่างๆก็เป็นพลังงานที่รวมยิ่งใหญ่มากความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในนั้นนะเต็มก็อยู่ในอากาศนั่นนะอยู่เต็มเป็นยางัง น, นะ พลังงานเหล่านี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะเป็นพลังงานที่รวมนอกจากจะรวมเป็นดวงพระอาทิตย์แล้วก็ยังมีพลังงานที่ซับซ้อนรวมอยู่ในหมเสุริยจักรวาล น, นั้นเองแล้วก็ซ้อนอยู่ในนั้นกระจายออกไปสู่อะไรต่ออะไรเรียว่าวนว น, วนกระจายแล้วก็วนเพราะฉะนั้นพลังงานเหล่านี้ในมหาจักรวาล น, น, นี้นี่เป็นพลังงานที่ วนอยู่ในมหาจักรวาลเอกภพนี่แหล ะ, ะมีสัดส่วนวนกลมจึงเรียกว่าภพเรียกว่าโลกวนมันห่างมันไกลจนกระทั่งมันเหมือนเส้นตรงมันห่างกันมันไกลกันมันเดินทางกันอยู่ในมหาจักรวาล น, นี้แสงเป็นต้น แสงนี่เราก็นึกว่ามันเดินเป็นเส้นตรงความจริงมันไม่ตรงมันโคง้งแต่คนวัดความโค้งมันไม่ได้เพราะระยะทางของมหัศจรรย์นี้มันไกลกี่รุเกินเพราะแสงมันเดินทางอยู่ในมหัศจรรย์นี้มันเดินทางไกลมากเราก็ดูเหมือนมันเป็นเส้นตรงน้ํา ระดับของน้าคนก็รู้สึกว่าเป็นเส้นตรงความจริงมันก็ไม่ตรงมันโค้งเรานึกดูง่ายๆอย่างผิวทะเลเนี่ยผิวด้านหน้าของทะเลเนียเราเห็นว่ามันเหมือนมันตรงนะแต่มันมีคลื่นเท่านั้นเองแต่เวลามันสงบก็มันตรงมันไม่ตรงก็เรานึกดูง่ายๆก็น้ำพอนี้ก็หุ้มอยู่ในโลก ลแล้วโลกมันกลงที่มันโลกมันตรงตรงที่ไหนล่ะผิวโลกมันไม่ได้ตรงแต่น้ํานี่ก็หุ้มอยู่ที่โลกอะไรเพราะมันผิวน้ํามันไม่ได้ตรงหรอกนะเราอาจจะเอามันมาใส่แก้วแล้วก็มีเขียวและนาบเป็นว่ามันตรงโดยตาเราก็ดูว่ามันตรงแต่โดยความจริงแล้ว แรงดึงดูดของโลกที่ดึงดูดเอาไว้ทุกจุดเนี่ยมันดึงดูดเข้าไปหาจุดสุญกลางเพราะฉะนั้นผิวระนาบของนามัมนก็ไม่ได้ตรงอยู่ในแก้วกเล็กนิด น, นเราก็นึกว่ามันตรงนะเล็กนิดนิดหนึ่งโดยตาโดยความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันโอ้ผิวระนาบนี่มันตรงมันไม่ตรงเพราะทุกจุดนั้นถูกแรงดึงดูดของโลกย ด, ดึงลงไปทุกจุดเหมือนกันเพราะแนวระนาบนี้ก็คือ โลกดึงดูดไว้แล้วผิวก็มันก็ถูกทุก ท, กทกจุดถูกโลกกระแสจุดกลางของโลกดึงดูดไว้มันทุกจุดถ้าเขียนเป็นจุดก็ไปหาจุดศูนย์กลางของโลกแนวระนาบของน้ํานั้นทุกทกจุดของผิวก็ถูกดึงเข้าไว้ที่นั่นต่นนั้นเหมือนกันแล้วมันก็โค้งมันไม่ตรงหรอกโคง้งอ่า <laughs> เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยในมหาจั ก, กรวาลนี้โค้งทั้งหมดกลมทั้งหมดนะกลมทั้งหมดเราเดาว่าอนูอนูนีเน่เป็นจุดจุดหนึง่งหรืออะไรอันหนึง่ง ก, กลมอันหนึ่งใช่ไหมอนูตัวตนอันนึง ก้อนก้อนหนึ่งแต่ก้อนเล็กหรือเกินปรมาณูมันก็ต้องมีความกลมของมันอย่างนั้นแหละถ้าเราจะให้มันเป็นก้อนถ้าไม่ให้มันเป็นก้อนให้มันขยายออกไปอีกมันก็ต้องมีอะไรที่จะขยายได้มันก็ต้องมีสภาพมีเนื้อมีอะไรอะไรอยู่ในนั้นต่อกันเป็นตัวตนตัวตนของมันก็จะต้องเป็นตัวตนเป็นอันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ รวมตัวกันอยู่ <c oughs> เพราะงั้นพลังงานก็ดีสสารเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นสิ่งที่ เ, เอาจับมาวัดได้มันเป็นตัวตนแน่สสารเป็นตัวตนเป็นรูปเป็นรู ป, ปะส่วนอรูปอรูปก็เป็นพลังงานพลังงานนี่ก็ ยึดตัวยึดตนเป็นลักษณะเหมือนกันพลังงานยึดตัวยึดตนเป็นลักษณะเหมือนกันจนกระทั่งมันสามารถแสดงตัวมันได้คนวัดค่ามันได้แก๊สแต่และแก๊สมันก็มีตัวตนที่วัดค่าของแต่ละตัวตนมันออกมาวิทยาศาสตร์ก็วัดได้มันพลังงานความร้อนแสงเสียงเราก็วัดได้อย่างน้อยเราวัดค่าร้อนวัดค่าเย็น วัดข้ามีพลังอยู่ในตัวเป็นแม่เหล็กวัดข้ามันได้เป็นไฟฟ้ามีลักษณะอย่างนั้นน่ทีนี้พลังงานเหล่านี้ที่กล่าวไปทั้งหมดนี้เป็นพลังงานอยู่ในระดับอุตุเท่านั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามก็เรียกว่าพลังงาน ยิ่งใหญ่จะมีความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าระดับฟิสิกส์ระดับไหนก็แล้วแต่ในพระอาทิตย์ดวงใหญ่ที่สุดในมหาัศจรกวานี้ดวงไหนที่สะสมกันไว้แล้วก็กระจายพุ่งออกมาแสดงฤทธิ์แสดงเดชขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เป็นเพียงอุตตุเป็นลักษณะอุตตุเท่านั้นนิยามได้ว่าอันนี้คือ อุตุธาต์ยังไม่ใช่ผีชะธาต์ถ้าจะเรียกธาต์คือสิ่งสิ่งหนึ่งตัวแทนของอันหนึง่งเรียกว่าธาต์จะยิ่งใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ในมหัศจรรย์นี้ดวงที่ใหญ่ในจักรวาลอื่นที่ไม่ใช่สุริยะจักรวาลที่เราอยู่นี่พระอาทิตย์ของเราในสุริยะจักรวาล น, นี้มีพระอาทิตย์ดวงเดียวจักรวาลบางจักรวาลมีพระอาทิตย์หลายดวง ในดวงใหญ่ดวงรองอีกแล้วก็รวมพลังงานเหล่านั้นสังเคราะห์กันซ่อนอีกเหมือนกับการสังเคราะห์แรงงานในเครื่องยนต์ต่างๆเอาเครื่องยนต์เหล่านั้นพลังงานเหล่านั้นมารวมกันเข้าลูกสูบพลังงานเครื่องกลสูบหนึ่งมีพลังงานเท่านี้เอามารวมกับสองสูบพลังงานเพิ่มขึ้นเอามารวมสมสูบพลังงานเพิ่มขึ้นเอามารวมสี่สูบห้าสูบหกสูบพลังงานเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยพระอาทิตย์ก็เหมือนกัน หลายๆดวงมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันอยู่ในวงคโคจรอยู่ในสภาพที่ซับซ้อนไปมาเหมือนพลังงานเหล่านั้นสังเคราะห์กลับไปกลับมาก็มีสภาพที่มากขึ้นหรือน้อยลงหลายๆอันทําลายตัวเองก็มีเสริมซ้อนยิ่งขึ้นก็มีแต่ถึงอย่างไรก็ตามพลังงานดังกล่าวนี้ทั้งหมดจัดอยู่ในจําพวกอุตุธาต หรือธาอุตุหรือนิยามได้ว่าเป็นอุตุเท่านั้นกําหนดลงไปได้ว่าเป็นอุตุเท่านั้นแล้วก็อยู่ในเขตนั้นไม่ข้ามเขตมาจะยิ่งใหญ่เป็นพลังงานยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ข้ามเขตมาคือเป็นพลังงานธรรมดาไม่มีความเป็นชีวะอุตุไม่ใช่ความเป็นชีวะจะร้อนจะเย็นจะ หนาวจะอุ่นจะแข็งจะ อ, อ, อ่อนอะไรยังไงก็แล้วแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรก็ตามจะสลายจะเกาะกลุ่มเป็นแม่เหล็กจะทำลายสลายไม่เกลี่ยหรือว่าละลายอะไรอื่นๆได้พลิตริดแรงดิดเดดมากมายขนาดไหนก็ไม่ข้ามเขตมา เรียกว่าชีวะระดับชีวะเป็นพลังงานที่ไม่ใช่ชีวะอุตุส่วนพลังงานที่ซับซ้อนข้ามขึ้นไปมีความพิเศษกว่าอุตุขึ้นไปไปถึงพีชะพีชะธาตเริ่มต้นเป็นชีวะ มีความเป็นอัตโนมัติในตัวเขาเองซึ่งจะเกิดพลังงานที่มันต่อเนื่องมาจากแม่เหล็กมีการเกาะกลุ่มมีการดูดรวมตัวมีตัวกำหนดดูดนี่ตัวกำหนดสภาพในตัวมันเองแล้วก็เลือกเฟ้นสังเคราะห์เอาเฉพาะในตัวมันเองนะไม่ใช่ พลังงานแม่เหล็กธรรมดาแล้วการเกาะกลุ่มการดึงดูดมีการเลือกมีการสังเคราะห์ในตัวมันเองได้เป็นพีชะเพราะฉะนั้นในระดับพีชะก็เป็นพลังงานที่ทำงานอยู่ในพีชะนั้นสูงขึ้นมากว่าพลังงานอุตุสูงขึ้นมาในสภาพที่เรียกว่าชีวะ พลังงานที่ทำงานอยู่ในพืชต่างๆเนี่ยมีความกำหนดรู้มีสัญญามีการสังขารปรุงแต่งมีสัญญาสังขารวิญญาณขออภัยมยังไม่เรียกว่าวิญญาณมีการสัญญากำหนดรู้แล้วก็เก็บข้อมูลจดจำไว้ แล้วก็ปรุงแต่งอยู่ในตัวมีสัญญามีสังขารมีรูปแน่แ น, นอ น, นมีสภาพของขันสามขันเรียกว่ารูปประขันเรียกว่าสัญญาขันสังขารขันแต่ชีวะระดับนี้ยังไม่มีเวทนา <c oughs> มีส่วนของลักษณะของเวทนาบ้างแต่ยังไม่เป็นเวทนาที่สมบูรณ์จึงไม่เรียกเวทนาเต็มมีลักษณะของเหมือนจิตวิญญาณเป็นชีว ะ, ะเหมือนจิตวิญญาณก็ตรงที่ความเป็นชีวะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าถึงจำแนกเอาไว้เป็น สภาพแค่ อ, อะไรทเรียกว่าอะไรสังขารอทินอทินนักอนุป อ, อนุปาทินากะสังขารนะพระบารีเราก็จำไม่เคยเก่งเท่าไหร่แมมันยิ่งอายุมากขึ้นเลยยิ่งเลืออนุปาทินากะสังขารเป็นสังขารที่ ยังไม่นับว่าเป็นวิญญาณครองเป็นสังขารที่ยังไม่มีวิญญาณครองเป็นสังขารแน่และมีสัญญาแน่มีการกำหนดรู้โดยตัวโดยตัวเองอัตโนมัติต้นประดูก็มีสัญญาของตนเองกำหนดรู้ของตนเองเลือกเฟ้นของตนเองได้ เพราะฉะนั้นก็จะเลือกเฟ้นเอาท่าที่จะเข้าไปสังขารสังเคราะห์ตัวเองเป็นสัญชาติของต้นประดูมีลักษณะอย่างนี้มีดอกมีใบมีพันธุ์มีพืชมีอะไรอย่างนี้อย่างอื่นไม่เอาเอาอย่างนี้อย่างนี้ผลักอย่างนี้ดูดเป็นแรงแม่เหล็กเป็นพลังงานแม่เหล็กอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เอาเขาจัดเลือกเฟ้น มีสัญญามีสังขารแต่ยังไม่มีความรู้สึกเต็มมีบ้างรับรู้ร้อนรู้เย็นรู้อ่อนรู้แข็งรู้อะไรแต่แต่ยังไม่รู้ละเอียดถึงขั้นรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขยังไม่รู้ยังไม่ถึงขั้นรู้สึกสุขทุกข์รู้สึกสุข ขเขาจะรู้สภาพของเขาพอสมควรจะเรียกว่ารู้ก็มากมายความว่าปัญญาเป็นวิญญาณมาเข้าเข้าไปหมายคว า, า, ามว่าเป็นพลังงานในระดับจิตวิญญาณแต่ที่นี้มันยังไม่ถึงสภาพของจิตวิญญาณมันเป็นแค่อนุปาทินากาสังขารมันจึงเป็นสังขารที่ยังไม่ถึงขั้นรู้ทีเดียวแต่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่มันรู้ มันรู้ร้อนรู้เย็นรู้อ่อนรู้แข็งนะรู้อะไรหละอย่างนะแต่มันไม่ถึงขั้นเป็นเวทนาสามรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขยังไม่มีเวทนาถึงสามเพราะฉะนั้นจะให้มันไปเข้าใจแต่มันมีอินทรีย์ของพลังงานเหมือนกันอินทรีย์ของ ธาตุอินทรีย์ของพลังงานคือมีน้ำหนักหนาบางน้ำหนักอ่อนแข็งอะไรพวกนี้มันมันมันรู้นะมันรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหนาบางมีน้ำหนักมากน้อยอะไรนี่มันรู้นะมันมั น, ม, นมันมีพลังงานของการกำหนดในธาตุของมันเองเป็นพันเริ่มต้นมีพันถ้าจะว่ามันมีกรรม กิริยามันมีกรรมกิริยาแล้วนะมันมีกรรมกิริยาแล้วมีพฤติกรรมมีลีลาแล้วรู้จักคุณลักษณะของตัวมันเองในมันซื่อสัตว์นะมันเลือกเฉพาะตัวมันเองมันไ ม, ไม่เหมือนคนคนนี่เปลี่ยนแปลงมากปรุงแต่งมากาประดิษฐ์ประดอยมากาและพลิกแลงมาก้วย พลิกแปลงจนกระทั่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนมากๆส่วนพวกนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนง่ายๆเพราะฉะนั้นพันุ์ของต้นมไม้อย่างใดอย่างใดเนี่ยตัวมันเองมันไม่เปลี่ยนแปลงง่ายหรอกแต่คนนี่แหละไปทําให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนพันธุ์มันไปผสมผสมอย่างงู้นอย่างนี้แปรสภาพมันอะไรตัวอะไรต่างๆนะ่นะเปลี่ยน เอโนซัด ส, ว, สวนขนาดโนนีโน น, อนีอะไรแม้แต่ที่สุดก็เอาไปเปลี่ยนแปลงไปผสมไปเปลี่ยนเป็นอะไรตระอีกเยอะแยะคนมาไปทํามันนะถ้าตัวมันเองแล้วมันไม่เปลี่ยนตัวตัวอด ต, ตัวเองง่ายๆนะมันมในลักษณะที่เป็นเวทนาถ้าเราเข้าใจความหมายของคําคเวทนาลงไปแล้วมันจะยังไม่มีเวทนาที่เราจับมันได้ว่ามันไม่เป็นระดับสัต กเพราะมันยังไม่มีเวทนาสุขทุกข์หรือแม้แต่สัตว์ระดับเล็กระดับแบคทีเรียระดับจุลินทรีย์ระดั บ, ia, ร, ะด บ, C, ะ ร, บระดับอะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีสุขทุกขอ์อทุกขกมสุขและอุเบกขาเวทนายังไม่มีมันเป็นเซลล์ที่ยังต่ำยังไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์อะไรมากมันยังไม่มีถือว่ายังไม่มี เพราะฉะนั้นเราจะไปถือว่ามันเป็นสัตว์ที่จะต้องม่พอ ม, มาถือศีปลปาณาทิบาตแล้วก็ถ้ามันมีเชื้อโรคมีสัตว์พวกตัวอะไรพวกนี้อยู่ในระดับเดียวกันนี่แหละพวกสัตว์พวกนี้ถ้าเรากินยาฆ่ามันเราก็ต้องฆ่าสัตว์มันก็ไม่ใช่เพราะมันยังไม่อยู่ในระดับชีวะในระดับที่เรียกว่าสัตว์ทีเดียวแต่มันก็รู้พวกนี้มันรู้อะไรจะเอาอะไรมีพลังงานความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นพลังงานทางฟิสิกส์มากพอสมควรแล้วเป็นตัวเองเป็นสัก เ, เป็นมีอัตโนมัติของตัวเองที่มันจะทํางานของมันเพราะฉะนั้นมันก็รักษาตัวของมันตามพลังงานที่มันรู้ของมันได้พอสมควร อ, อย่างนี้ก็มันก็มาวิเคราะห์ได้อีกถ้าเราจะบอกว่าเออเรามาพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ฆ่าสัตว์แต่อย่างนี้เรียกว่าสัตว์หรือเปล่ามันก็เป็น เชื้อมันมีอีกลักษณะหนึ่งก็มันไม่เหมือนกัพลังงานที่อยู่ในต้นไม้ที่เป็นอยู่แต่ละพันธุ์แต่ละพันธ์มันก็เป็นพลังงานที่มันไม่อยู่กับที่มันต้นไม้อย่างพวกแบคทีเรียจุลินทรีย์อะไรพวกนี้ยมันก็เป็นส่วนแน่ที่จริงในตัวต้นไม้มันก็ใช้พลังงานจุลินทรีย์นี้ด้วยในตัวในตัวเรามีจุลินทรีย์เยอะแยะในส่วนตัวของเรามันก็ซ้อนละเอียดอยู่เงี้ย แต่ถ้าเราสามารถเข้าใจอย่างที่อาตมาวิเคราะห์ให้ฟังแจกพลังงานเหล่านี้ละเอียดลงไปถึงขั้นเวทนารูปมันมีแน่รูปนั้นมีแน่เพราะฉะนั้นมันมีเวทนาไหมมีเวทนาประมาณหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์จนจัดอยู่ในขีดขั้นของอุ ป, ปาทินกะสังขารยังไม่ใช่สังขารที่มีถือว่าระดับวิญญาณครอง นี่ถือว่ามันมันมันจะเรียกว่าสัตว์มันก็ยังไม่เต็มสัตว์หรอกมันก็เหมือนผีชะอยู่ในระดับผีชะนะเพราะฉะนั้นความละเอียดอันนี้จึงพระพุทธเจ้าจึงไม่มากน้อยสันโดษเหมือนพวกมหาวิระรัติเชนรัตินิครนนาตม อันนั้นเขาโอ้โหถือว่าสัตว์ของเขาเนี่ยเขาเขาไม่เข้าใจถึงเวทนาแบ่งเวทนาละเอียดอย่างที่อาตมาอธิบายฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่เข้าใจสังขารยังไม่เข้าใจเจตสิกพลังงานระดับเจตสิกนะในรูปเวทนาสัญญาสังขารเขาเข้าใจไม่ออกละเอียดลงไปถึงเจตสิกระดับนี้ไม่รู้เขาจึงถือว่าอันนี้คือสัตว์เพราะงั้นเขาก็จะต้องระมัดระวังไม่ฆ่าไม่ทำร้าย ปัดกวาดเช็ดถูไป้ลยโอ้ละเอียดอ่ไม่เบียดเบียนสัตว์ของเขาเนี่มันละเอียดละเอียดตรงที่เขาเองเขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้เขานึกว่าไอนี้เป็นระดับของสัตว์แหละอ่าสัตว์เนี่ถือว่าวิญญาณแล้วทุกร้อนมากแล้วมันยังไม่ทุกร้อนมากอะไรหรอกสัตว์ในระดับจุลินทรีย์ในระดับะระดับพวกเนี้ยในระดับ โตขึ้นมาในระดับหนึ่งก็ตามนะยังไม่เวทนามันยังไม่ละเอียดยังไม่สูงพอสุกทุกพอนะยังไม่เป็นตัวที่มีตัวสั่งตัวสั่งตัวสมถ้ามันเกิดกามคือสภาพแรงดูดเกิดพยาบาทคือสภาพผลักหรือทำลาย ตัวพวกนี้มันจะยังไม่มีเวทนาถึงขั้นดูดและผลักจกนกระทั่งจองเวรจองกรรมถึงขั้นกรรมที่มีการาโกรธ ถ, ถ, ถึงมีขั้นโกรธขั้นโทสะถึงมีการดูดแต่ว่ามีพลังงานแม่เหล็กที่ดูดเนี่ยมากอยู่มากอยู่แต่ว่าก็ไม่ไม่มีพยาบาทไม่มีแรงโกรธอะไรอะรเหมือนกันกันกบ พลังงานสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าสัตว์จริงๆมันจะถึงพลังงานในระดับในการกําหนดหมายและก็จําจแลว้วก็ผูกพยาบาทถ้าในระดับมอดระดับหนอนระดับพวกนี้ถือว่าสัตว์แล้วระดับเลนระดับ สัตว์มีลักษณะซ้อนของมันจนกระทั่งถึงสภาพซับซ้อนในอีกระดับหนึ่งและโดยอวัดเอาเวทนาเวทนาที่รู้สึกมีมีโกรธมีกลัวมีโกรธมีกลัวแล้วเนี่ยถือว่าสัตว์แล้วเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์นี้ยังไม่มีกลัวยังไม่มีโกรธยังไม่มีกลัวยังไม่มีโกรธเพราะฉะนั้น จุลินทรีย์หรือว่าพลังงานในระดับสัตว์ระดับเล็กขนาดนี้เนี่ยเราจะยังไม่เรียกว่าเป็นอุปาทิน ก, กะสังขารทีเดียวสังขารที่มีวิญญาณครองทีเดียวเพราะมันเจตสิกมันยังไม่เต็มสภาพยังไม่มีเวทนาถึงระดับถิวานีเป็นเวทนาที่มันทำงานอยู่ในระดับนึงยังมี ยังมีโกรธยังไม่มีกลัวแต่พลังงานดูดมันมีเพราะกระแสแม่เหล็กแม้แต่อุตุก็มีดูดอยู่แล้วอุดมมีดูดมีผลักเหมือนกันมีบวกมีลบอุตุก็มีบวกมีลบผลักเท่านั้นแต่ไม่ถึงขั้นทำลายจองเวนจองกรรมนั้น่าเข้าใจลักษณะพลังงานจากจิตแล้วเป็นชีวะจนกระทั่งเป็นกรรมรู้จักกรรมในขณะที่กาหนดกรรม จองเวรจองกรรมหรือว่าจองเวรจองกรรมนี่หมายคือว่าผูกพันจนต้องการมีการกำหนดรู้ลงไปเลย ว, ว่าต้องผูกพันและทำลายมีกลัวมีโกรธ ถ, ถ้ามีกลัวมีโกรธขนาดนั้นก็จะจัดอยู่ในจําพวกอุ ป, ปาธินกะสังขารสังขารหรือพลังงานในระดับที่จัดขึ้นไปหาจิตเพราะพิชา ก, กะจิตก็จะ มีลักษณะที่ละเอียดลงไปรู้จักเวทนาจัดเวทนานี้รู้จักพลังงานในระดับเวทนาที่สมบูรณ์เวทนาที่ขึ้นขีดมาเรียกว่าเป็นอุ ป, ปาทินกระสังขารได้ก็ตรงที่เวทนานั้นมีระดับจองเวนจองกรรมแต่ สัตว์เหล่านี้หรือพลังงานเหล่านี้จองเวรจองกรรมก็เป็นสัตว์ในระดับเอเวนิยัสต์เป็นสัตว์ที่สอนให้เป็นโลกุตระไม่ได้สอนให้เป็นโลกุตระรู้จักธรรมะในขั้นของนิยามที่ห้าคือธรรมะให้รู้จักกรรมถ้าโตกัสัตว์ระดับสัตว์ระดับนี้เป็นอเป็น สตวที่สอนไม่ได้ยิ่งกว่าจึงเรียกว่าเดรจฉานโง่เดรจฉานหมายถึงโง่โง่ในระดับที่สอนให้เป็นกัลยาณธรรมก็ยากให้รู้จักกัลยาณธรรมก็ไม่ได้เพนะราะฉะนั้นกรรมเขาก็ไม่รู้ทำก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เพราะฉะนั้นสัตว์ในระดับเดรจฉานไม่รู้จักกรรมไม่รู้จกักธรรมเลยจนกว่าจะ สัตว์ที่มารู้จักกรรมรู้จักการกระทาเช่นสัตว์งวควายหมาหมูเราสอนให้มันรู้ไปนั่นมานี่จาได้แล้วก็รู้กำหนดรู้การกระรทาต่างๆรู้จักงานนกนกนูอะไรต่างๆหัดพอได้นะเป็นสัตว์ที่สอนให้มันรู้จักกรรมได้แต่มันยังไม่รู้จักธรรมะทีเดียวน่ะ จนกระทั่งเป็นคนถือว่าคนสัตว์หลายอย่างรู้ธรรมะแต่ก็ยังไม่ชัดหรอกเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นคนไม่ได้ประเสริฐไม่ได้ขนาดช้างดูเหมือนมันรู้คุณค่ารู้ธรรมะแต่มันก็จัดว่ามันไม่เต็มเต็งเพราะฉะนั้นสัตว์ใดไร่ฉาเนี่ยน่ะมันก็ซื่อๆกันเลยมันือก็มันไม่กระดดมันพืชมันก็ซื่อสัตว์ของมันมันก็ ดูดเอาแต่ธาตุที่มันต้องการธาตุที่มันไม่ต้องการมันไม่เอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ซื่อสัตว์สัตว์เดรัจฉานในระดับหนึ่งก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์เดรัจฉานในระดับอย่างนั้นก็ยังไม่ถึงสัตว์ประเสริฐที่นี้สัตว์ประเสริฐขนาดคนเนี่ยจะรู้ธรรมะรู้กรรมที่ดีสอนกระทําในกรรมต่างๆได้มากและสามารถรู้จักดีจักชั่วเป็นธรรมะก็เป็นกาลยาณนะ ชนกัลยาณ์นะทำเป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาระดับหนึ่งถ้าเป็นสัตว์ที่อาริยะเป็นอาริยะสัตว์ขึ้นไปก็คือระดับอาริยะนี่สูงกว่าคําว่ากัลยาณนะกัลยาณ์นะรู้ดีรู้ชั่ววันศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนั้นไม่ถึงขีดอาริยะเพราะแบ่งโลกุตระหรือทําให้พลังงานจิตปัญญา อาตมาไม่ได้ขยายความถึงจิตวิญญาณขยายความแต่แค่พลังงานระดับพิจะก็คงจะรู้จักความต่างของพลังงานระดับจิตได้นะว่าจิตวิญญาณนี่มีเวทนาครบสมบูรณ์มีวิญญาณครบสมบูรณ์มีพลังงานระดับเวทนาและมีเวทนาระดับรู้สุขรู้ทุกขนะ์แล้วปลักโหลดมีลักษณะโลกโกรธลง มีเวทนาที่มีตัวปรุงแต่งอยู่ในนั้นเป็นโลกพลังงานโลกโกรธหลงปรุงแต่งอยู่ในนั้นนะเรียกว่าพลังงานระดับวิญญาณและวิญญาณในระดับที่รู้ดีรู้ชั่วอยู่เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วเรียกว่าสัตว์โลกนะเกินเดรจฉานเกินระดับพลังงานเดรจฉานขึ้นเป็นระดับพลังงานสัตว์โลกสัตว์โลกในระดับ ประเสริฐพอสมควรก็เป็นกัลยาณนะ์มุคคลหรือกัลยาณสัตว์ส่วนสูงก็่กัลยาณสัตว์เป็นอาริยสัตว์ก็คือรู้จักวิญญาณลึกลงไปถึงแจกวิญญาณออกเป็นเวทนารู้จักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแจกเวทนาออกไปถึงร้อเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีปัญญารู้เวทนาที่แจกละเอียดลงไปถึงร8อ และก็สามารถที่จะมีวิธีลดสิ่งที่มันจะเป็นสภาพที่เกาะกลุ่มตัวไม่เกาะกลุ่มนี่แหละตัวแม่เหล็กตัวทำลายความดูดนี่แหละทำให้มันเป็นนิวตรอนให้มันเป็นไม่เป็นเมือนบวกมันลบเป็นแรงพลังงานสองด้านบวกลบบวกลบซึ่งเราเรียกภาษาว่าไฟฟ้านี่แหะหรือแม่เหล็กนี่แหละ บวกลบมีดูดมีผลักเราสามารถสลายพลังงานดูดผลักหรือทำลายให้มันหมดฤทธิ์เป็นบวกเป็นลบได้จนเป็นกลางเรียกว่าหมดพลังดึงดูดหมดพลังบวกพลังลบเพราะเราเรารู้จักปฏิกิริยาที่เรารับรู้แล้วแล้วเราก็บวกกับดูดพลังงานเป็นบวกไปดูดเอาตั้งแต่สามารถหลงผิด ไปดูไปบวกเอาตั้งแต่โ อ, โอราริกะของหยาบจนกระทั่งถึงปั้นขึ้นมาเอาเองเป็นอรูปแล้วก็เป็นอรูปจนเป็นรูปที่เห็นในจิตวิญญาณเห็นปั้นขึ้นมาทั้งๆที่มันไม่มีนะมันเป็นโลกที่ยังมีสภาวะของวัตถุรูปมโนมยะอัตตานี่ไม่มีสภาวะของวัตถุรูปนะ ไม่มีสภาวะของรู ป, ปรธรามเป็นอารู ป, ปรธรามแทๆ้ๆปั้นลมปั้นแรงยิ่งกว่ารูปอารูปในบางอย่างอารูปในบางอย่างในสภาพบางอย่างเราว่าอารูปอย่างรูปที่เป็นรู ป, ปรธรามเป็นแก๊สเป็นอากาศสภาพนี่มันเป็นรูปส่วนนามธรรมนี่มันไม่ใช่รูปเลยน่ะอารูป อารูปเรามองอารูปในสภาพนึงก็คือว่ารูปที่มันเป็ น, ปนขนาดขนาดอากาศสาธาตที่อยู่ตรงวง่างเงีง้ยเรามองไปรู้สึกว่ามันว่างแต่จริงๆมันไม่ว่างมันมีแก๊สอะไรต่างๆในนี้ถึงเยอะแก๊สอะไรต่างๆอย่ในนี้ตั้งมากมายแต่เราสัมผัสไม่ได้ด้วยตาตาเราไม่เห็นตัวตนของแก๊สที่อยู่ตรงนี้แก๊สที่มันไม่เห็นได้ด้วยตามันก็เป็นรูป วิยาศาสตร์ก็วัดได้หมดอุตตุทางอุตุนิ่วศศาสตร์ทำได้หมดเดี๋ยวนี้นะทุกวันนี้นะอุตตุทำได้วิยาศาสตร์ทำได้อุตตุแต่สัตว์วิยาศาสตร์ยังไปไม่ไกลยังเรียนรู้ได้พลังงานระดับพีชะเอามาแยกมาทำอะไรตัวใดจับพลังงานมาผสมภาสานอะไรตัรกันมันมันอยู่ในสภาพนลิตได้แต่ในคนพลังงานจิตวญญาหรือในสัตว์ ได้ได้ฌานขึ้นมาเขาก็ยังทําไม่ได้ให้มันเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่มีส่วนเป็นตัวเองของตัวเองอยู่มันไปนทําอะไรมันยังไม่ได้มากกว่านั้นในทางวิทยาศาสตรใ์ในทางศาสนาพุทธนเรียนรู้ในพลังงานระดับจิตพลังงานระดับจิตที่รู้จักกรรมทีนี้ขยายความตรงจิตที่จะแยกต่างจาก พลังงานระดับของสัตว์ชั้นต่ำเรียกว่าเดรชานกับสัตว์ชั้นกลางเรียกว่ากัลยาณนะกัลยาณนสัตว์แล้วก็แบ่งเป็นเป็นอริยะถ้ามันสัตว์มาเป็นคนคนที่มีจิตวิญญาณในระดับเดรชานเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหมันเหมือนเดรชานจริงมันไม่รู้ชั่วรู้ดีเอาธรรมมวัดเอาพลังงานระดับที่จัดสรรอยู่ในความเป็นธรรม ผลักหรือดูดถ้ามันยังผลักยังดูดแรงในสภาพที่ชั่วหรือเกินมันก็มันเหมือนเดรจานจริงๆคนนี่แหละเหมือนเดรจานคือมันไม่รู้ดีรู้ชั่วเดรจานมันยังไม่ทําชั่วขนาดนั้นเหมือนพลังงานพีชะมันยังไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ดูดเอามันก็ผลักเอาตามภาษาที่มันกําหนดเอาใช่ไหมต้นประดูมันก็ดูดเอาพลังงานมันก็ดูดเอาอะไรเท่าที่มันจะดูด เอาคําลอนแสงเสียงธาตุดินน้ำลมไฟที่มันจะเอามันก็เอาเท่าที่มันเอามันจะซื่อสัตว์ขนาดนั้นสัตว์เดรัจฉานก็มีซื่อสัตว์ความซื่อสัตว์เท่ากับเดรัจฉานขนาดนั้นแต่คนเนี่ยไม่มีธรรมะทำได้เล็วกว่าเดรัจฉานโดยซ้าหรือทำเหมือนเดรัจฉานมันไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรไม่รู้บาปรู้บุญอะไรเหมือนเดรัจฉาน อ, อย่างนี้ก็สัตว์อยู่ในประเภทพวกเดรัจฉานในร่างของคน จิตวิญญาณต่ำต่ำเร็วกว่าสัตว์เดรัจฉานด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักธรรมะก็เอาธรรมะนี่มาวัดกัลยาณชนเพราะฉะนั้นปุถุชนเรียก ท, ทั่วไปเลยว่าปุถุสัตว์ปุถุหนึ่งขั้นเดรัจฉานสัตว์ก็คือเดรัจฉานสัตว์ในขั้นที่สูงขึ้นมาได้รู้จักความดีความชั่วแล้วกว็พัฒนาตัวเอง เป็นกาลยานชนหรือกาลยานสัตว์ขึ้นมาได้ก็เป็นสัตว์สอนได้อีกขนาดหนึ่งขีดของจิตวิญญาณที่รู้ของตนเองนะัรู้พลังงานของตนเองหรือพลังงานที่เป็นเรียกว่าจิตวิญญาณของตัวเองมีญาณมีปัญญาสามารถแยกวิเคราะห์ความเป็นสัตว์ปุถุชนสัตว์กาลยานชนสัตว์อริยชนสามารถแยกออก และแยกออกแล้วทําพลังงานของตนเองหรือจิตวิญญาณของตนเองให้เป็นอริยชนได้นั่นแหละคือโสดาบั่นขึ้นไปรู้จักโสดาบั่นชัดขึ้นไหมนะจิตวิญญาณตัวเองทําจิตวิญญาณตัวเองเข้าใจคุณลักษณะต่างๆที่ต่างกันพราะลั้นพลังงานในระดับรูป ก, กรรม กรรมต่างๆนี่แห้จะก่อให้เกิดสภาพของ <c oughs> ของผลผลที่จะถึงขั้นรูปและนามถึงขั้นรูปธรรมจนก็ะทั้งถึงนามธรรมเจาะไปถึงเวทนาเปลี่ยนเวทนาให้ลดสุขลดทุกข์เป็นนิวตรอนแต่ก่อนดูผลักอย่างนี้ติดอร่อยนึกว่าสุขวัตทุกหรือเพลิดเพลินชอบ ไม่ปล่อยคุณก็เป็นปุถุชนอยู่ในสิ่งที่ในขั้นต่ําขั้นทิ้งได้แล้วเลิกได้แล้วมันระดับสุขทุกข์แค่อบายามุกไงมันขั้นต่ํามันไม่ตองแล้วละเราผู้ประเสริฐกว่านั้นแล้วรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักคลายแล้วเราก็ฝึกจนกระทั่งเรียนรู้เวทนาสามารถเห็นชัดโดยญาณปัญญาปล่อยได้แล้วประเสริฐลุดแล้วรุดได้รุดเลยมีนิยตะ รุดได้รุดเลยมีความเที่ยงแท้มีความมั่นคง ม, มีความเป็นสภาพที่เห็นทุกเห็นสุกว่าเออไม่ต้องไปติดไปยึดหรอกเป็นคนมันมันได้ประเสริฐตรงนั้นวางมันได้ตั้งหากประเสริฐกว่าปล่อยมันได้ทําให้จิตวิญญาณที่เปนดูดอยู่เนี่ยมันเป็นนิวตรอนมันสุญญตามันอนัตตามันว่างมันปล่อยได้ตั้งหากประเสริฐกว่าเราเข้าใจเราเห็นชัดแล้วเราก็เลิกได้ ยานปัญญาเห็นว่าเราเลิกได้เจริญกว่าประเสริฐกว่าไม่ต้องติดต้องยึดไม่ขายหน้าเช่นยกตัวอย่างอย่างหยาบใจเราเคยติดแบบเพชรนี่เป็นของมีค่าเหลือเกินถ้าได้มาใช้กับตัวเองมีความสุขเอามาประดับประดาแล้วมันสุขสุขได้ประดับผู้หญิงจะเข้าใจง่ายกว่าผู้ชายอัยอาตมาในชีวิตนี้ยังไม่เคยรู้สึกว่าเพชรนี่มันเป็นเรื่องที่วิเศษเหลือเกินในชีวิตนี้ไม่เคยมีเพชร ไม่เคยซื้อเพชรอ๋อดูมันเคยนะซื้อตามค่านิยมของโลกอะซื้อซื้อให้ผู้หญิงเอ่อเพชรราคาไม่แพงหรอกเพชรนิดๆหน่อยๆฮะไม่เคยซื้อเป็นราคาแล้วก็ไม่รู้ค่าไม่รู้ราคาเราก็ไปร้านเขาไหวนี่ก็ซื้อตามค่านิยมว่าเราซื้ อ, อจีบผู้หญิงก็ซื้อของให้เขาอะจําไม่ได้แล้วว่าให้ใคร แต่จําได้ลำด ำ, ำไรไรว่าดูมันเคยซื้อในซื้อแอดแบบเป็นเพชรเนี่ยแต่เคยซื้อพลอยพลอยกินหมอดเสี้ยงเป็นแหวนเคยซื้อมาใส่พลอยกินหมอดเสียงแล้วก็พลอยสีเขียวพลอยอะไรไม่รู้เป็นแหวนเหมือนกันเคยซื้ออยู่สองวงในชีวิตแหวนพลอยกินบมอเสี้ยงกับพลอย เขาเรียกอะไรไม่รู้ซับฝายแต่สตาร์ซับฝายอรก็ไม่รู้ซื้อเป็นภาษาฝลังเขียวๆในแหวนอยู่ในแหวนก็ซื้อมันมาทั้งแหวนน่ะเอามาใส่ก็ให้ผู้หญิงไปหมดแล้วจีบผู้หญิงก็ให้ผู้หญิงไปในชีวิตมีพลอยอยู่แค่นั้นเคยซื้อพลอยสอง ส, อ, ง ส, อ, งส อ, งอันเพชรดูมือจะอันหนึ่งจําไม่ได้แล้ว ร, รําไรรําเรือง มันเพชรเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นเพชรกันหลัดเป็นไม่ถึงกัหลัดแกลัดอะไรเลยเพชรซีอีเพชรอะไรล้อมๆอะไรนี่เป็นเป็นเครื่องเป็นมือนจี้หรือเป็นอะไรเล็กๆอห้อยเป็นที่เล็กๆห้อยให้เขาดูมันจะเคยซื้ออยู่ครั้งไม่ได้มีความยินดีว่ามันสวยมันงามมันมีค่าอะไรมากมายกว่าโลกมันตั่งราคาเราก็นึกว่าคนก็นิยมผู้หญิงก็คงชอบเราก็ต้องซื้อให้มังจะจีบจะมาก็ซื้อให้ไป เท่านั้นแหละไม่ได้ติดใจตัวเองไม่ได้คิดว่าเป็นสุขสมมติว่าเราจิตของเราเนี่ยรู้สึกว่าแม้มันมีค่ามันได้มาแล้วมันห่วงแหนมันดูมันอะไรอยู่เพราะชีวิตเราก็จะห่วงแหนเจ้าเนี่ยเป็นอัตตาเป็นอัตตานิยาเป็นโอราริกอัตต า, า, ตตาแต่ถ้าคุณไม่มีรถแล้วหมดรถในเรื่องเพชรพลอยอะไรพวกนี้ เพชรพลอยก็ point, เออโลกเขาว่าสวยเราก็รู้สมมติเขาแต่ใจไม่ได้ดึงดูดเลยยิ่งเราเองมาขนาดนี้เราจะต้องได้ไว้เพื่อที่จะใช้ประดับไม่ถ้าเรายังมีความดึงดูดว่ามันเป็นของมีราคาในโลกมันเหมือนธนบัตรนี่แหละเพชรพลอยก็เหมือนธนบัตรมันมีราคาถ้าเราไปขายไปแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรเราเอาธนบัตรมาใช้เป็นประโยชน์เราก็ยังติดอยู่อีกซับซ้อนอีกชนิดหนึ่งตัว น, นั้นเอง แต่ในความละเอียดแล้วเราไม่ได้ดูดึดดดงติดในใจติดว่าเพชรพลอยเนี่ยโอ้โหถ้าได้แล้วมันวิเศษแล้วคนมีเพชรผู้หญิงมีเพชรเอาไว้ทําไมเอาไว้ประดับเอาไว้ยืนยันประดับผู้ชายก็ประดับเดี๋ยวนี้ใส่แหวนเพชรเยอะเหมือนกันมันน่าจะประทําต่างหูอีกแล้วนะผู้ชายก็เถอะเดี๋ยวนี้คือมันโง่เลยมันผู้หญิงเพิ่มขึ้นแล้วใส่แหวนเป็นเพชร มีนะมีมีเลดเลดเอาไปติดตรองเท้าเนี่ยเอาเพชรไปติดรองเท้าผู้ชายฮะ เ, เคยได้ข่าวว่าดารา ห, หรือว่าพวกไอ้นักอะเนี่ยมันมันม่นิยมก็เอาเพชรไปติดตรองเท้าติดเพชรใส่แหวนผู้ชายใส่แหวนเพชรเอามาติดนาฬิกามีเพชรนาฬิกาไอมีนาฬิกาโรเล็กหรืออะไรเรือนนี่นเป็นแสนแสนเปอะไรมีเพชรประดับกรอบ มีเลดเลดใส่เพชรอะไรเนี่ยไปมันก็น่าจะมาทําต่างหูเพชรแล้วนะผู้ชายก็เดียวนี้คือมันมันโง่มันไม่รู้เรื่องมันก็เห็นเคือประดับเครื่องอะไรแต่ไรไปตกแต่งอาราณีอธิบายขยายความในเรื่องของพวกที่มันโง่มันไม่รู้มันก็ยังดึงดูดว่าอันนี้มันสวยมันภาคภูมันเป็นของมีค่าติดดูดอยู่คุณจะเป็นผู้หญิงที่เคยมีอารมณ์ชอบ เห็นเดี๋ยวนี้ก็เออมันก็เหมือนธนบัตรนะถ้าจะอยู่ในโลกมันก็เป็นราคาของธนบัตรเพชรนี่ยเขาขายกันค้ากันก็ตั้งราคากันถ้าเราจะเอาเป็นค่าราค า, าก็าติดซับซ้อนอีกชนิดหนึ่งเหมือนธนบัตรเหมือนราคาของธนบัตรเป็นราคาของโลกเท่านั้นเองหายากมีราคาคุณก็ห่วงแหนมันในเรื่องนั้นเท่านั้นแต่ถ้าจะห่วงแหนในเรื่องว่าเอาไว้เราแล้วเราจะได้ใส่ได้ประดับแล้วมันสวยมันโก้รถของความสวยความโก้ความเป็นรถอีกชนิดตกแต่งประดับประดาไม่มีแล้ว คุณก็วางมันได้ในเรื่องนี้ถ้าคุณละวางเรื่องราบหรือเรื่องมันเหมือนธนบัตรเหมือนขามีค่ามีราคาในโลกลงไปอีกได้อีกเพชรก็เหมือนเศษกระดาษเหมือนธนบัตรเหมือนเศษกระดาษธนบัตรเห็นธนบัตรเป็นเศษกระดาษได้ชั้นใดคุณก็เห็นเพชรเป็นเศษกระดาษเหมือนกันได้ชั้นนั้นนั่นซ้อนลงไปอีกลึกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะี้แหละเรามีแรงผลักแรงดูดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ติดไม่ยึดอบายามุก เราไม่ติดมายุดแล้วเล่นไพ่แต่ก่อนนี่เห็นไพ่เป็นของน่าเก็บรักษาไว้นะโอ้โหเครื่องเล่นสนุกมันนร่อยลรือมีเอาไว้สําหรับล่าลาบล่ายศก็ได้เดี๋ยวนี้เห็นไพ่โอ้อไปฉีกทิ้งเถอะไม่ได้ห่วงแหนแล้วนั่นเรียกว่าไม่ติดในเรื่องเรื่องอบายมุกอย่างนั้นแล้วจริงๆมันก็ซอนละเอียดลงไปเงี้ยเพราะฉนั้นสิ่งที่เป็นโอราริกาอัตตาในอะไรต่างๆนานานห่วงเป็นขดตัวเราของเราเราอัตมาอธิบายลัดลงไปเลย วันนี้ว่าจะไปออกไปบินทบาตด้วยเนี่ยว่าตีห้าบผ้าจะเลิกแล้วน่ว่าจะเอาอันนี้มาอธิบายถึงเรื่องนี้ไปไม่ถึงแล้วนี่มาเจาะอยู่ตรงเนี้มันหน่าอธิบายนะมันมาถึงไปอธิบายถึงแล้วมันก็ถึงเวลาพูดถึงพาะคุณก็ท่าทางเข้าใจดีมันก็น่าอธิบายต่อฮะ <c oughs> ก่อนจัน <c oughs> เนี่ย <c oughs> เอาแล้วนะดูพอสมควร อ่ะมันไม่มีประโยชน์เลยเหรอมันไม่เข้าใจในธรรมะเลยเหรอมันจะสรุปได้ง่ายที่ไหนแล้วมันก็ขยายไปเรื่อยๆก็ให้รู้ให้รู้ว่าไอ้ความติดยึดของจิตวิญญาณพลังงานจิตวิญญาณของมนุษย์นี่มันโง่หรือมันชนะเอ้ยมันโง่เลยมันฉลาดมันโง่มันไม่รู้มันเป็นกระยาณชนมันก็ยังติดยึดอะไรพวกนี้อยู่มันยังไม่รู้เรื่องเพราะว่ากระยาณชนเนี่ยแบ่งตรงที่ว่ายังไม่สามารถรู้จิตวิญญาณจนกระทั่งรู้เจตสิก ละเอียดและสามารถแบ่งเจตสิกออกเป็นเคหสิตะกเนฆขมะได้แต่ถ้าแบ่งเคหะสิตะกเนฆขมะไม่ได้แล้วก็ทําให้ลบหมดเคหะสิตะหมดแรงดูดในเรื่องของตั้งแต่ระดับโอราริกาอัตตาสิ่งที่ไปติดจิตว่าอันนั้นเป็นสุขทุกข์น่าเสพจนกระทั่งคนไม่สุขไม่ทุกข์ไม่น่าเสพจนกระทั่งจิวิญญาณคุณอุเบกขา ในสิ่งเหล่านั้นดึงดูดผูกพันมาเป็นโอราลิกะอัตตาเกี่ยวกับโอราลิกะอัตตา ใ, ใดาก็ตามในโอราลิกะอัตตามีอรูประอัตตาซ้อนอยู่ทั้งนั้นเรียกว่ากามุป า, า, ปาท า, านก็เหมือนกันเหมือนเหมือนกันกับเพชรกับพลอยแต่ก็ยังมีค่าต่างกันเพชรเอาไปขายได้ ในลักษณะที่ของหายากกับมันสวยมันงามันมีค่าหายากทั้งรูปทรงตกแต่งทั้งตัวที่ของหายากเพชรที่มันบริสุทธิ์สะอาดหายากกวเพชรที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดมันสังเคราะห์ตัวมันสะอาดก็เป็นค่าที่ดินกับเพชรที่เทียบกันเมื่อกี้มีความซับซ้อนอยู่ด้วยที่ดินยังเป็นที่ที่ทำประโยชน์เกิดได้เพชรก็ทาประโยชน์เกิดด้บางเอาไปเป็นหัวเจาะมันแข็ง เอาไปทำเครื่องมืออุตสาหกรรมได้ถ้าคุณจะเอาไปทำถ้าคุณมีความรู้ถึงระดับนั้นคุณก็เห็นเพชรมีค่าแต่ที่นี้คุณไม่ได้เรียนด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมนั้นมาคุณก็เลยเห็นเพชรว่าเอาไปทําประโยชน์อะไรไม่ได้ดีเท่าดินคุณรัฐดินคุณเรียนเกษตรกรกรมมาเกษตรมาคุณก็เลยเห็นดินมีราคามีค่ากว่าเพชรแต่นักอุตสาหกรรมทำเกษตรกรกรมไม่เป็นเลย เขาก็เห็นเพชรดีกว่าเพราะเขาจะเอาไปทําประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้ดีกว่าเขาจะเห็นเพชรเป็นประโยชน์แต่ไม่ได้ติดยึดว่ามันสวยมันประดับตกแต่งไม่ใช่แต่เห็นค่าอันนี้ซ้อน ล, ลงไปในกระยานะชนแล้วแต่ฟังไปว่ า, ามันมีภูเขามีลำธารอะไรที่สวยๆอ๋อสวยๆนั่นคุณก็ยังติดทิวทัศน์อยู่สิยังมีทิวทัศน์มีความสวยงามมันก็เป็นสมมติของโลกเหมือนกัน ทิวทัศสวยงามพวกนี้ก็เป็นทิวทัศนเป็นอะไรของโลกด้วยเหมือนกันก็ได้แต่คุณก็ยังมองอยู่นั่นก็ยังมีรสชาติของความตกแต่งความประดับประดาที่สวยคุณพูดคุณเห็นว่าสวยว่างามนี่คุณรู้ตามสมมุติโลกที่เขาสมมุติกันเลยนะแต่คุณติดไหมอาตมาก็รู้สวยงามในระดับทิวทัศน์อย่างนี้ได้แต่ติดไหมสีก็รู้ความงามของเพชรรูปร่างตกแต่งมาอาตมาก็รู้แต่ว่าเราติดเราดูดไหม มีรสชาติที่เราได้มาแล้วแล้วก็ถือใจเรามีรสชาติไหมถ้าเราไม่มีรสชาติมันก็วางกลางๆแ ล, ล้วมันก็แต่เราเข้าใจว่าอันนี้ใช้ประโยชน์ได้เป็นค่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรายังจะต้องการถ้าเราจำเป็นต้องการนามาใช้ประโยชน์อันนี้ได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เราก็ไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่สุขไม่เสียใจไม่ดีใจ ใช่พลังงานในระดับที่ยังผูกยังดูดเป็นแม่เหล็กระหว่างโอราดิกาอัตตาคือดูดพลักสิ่งที่เป็นดินน้ำลมไฟแม้แต่มนุษย์แม้แต่สัตว์โลกอื่นๆเราก็ยังดูดยังผูกพันยังมีสุขมีทุกขยังเห็นเป็นสุขเป็นทุกขยังเป็นสุขเป็นทุกอยู่สุขสุดสูงสุก็คือสัมผัสเป็นสุขเป็นทุกของเราเป็นรสชาติ ถ้าเพมว่าไม่ถึงขั้นมีรสชาติแล้วไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เป็นรสชาติแล้วก็จบในโอราริกะอัตตามีอรูปะอัตตาซ่อนอยู่อาหารกับข้าวเป็นรูปมีรูปมีรูปมีรสมีกลิ่นมีสัมผัสอะไรได้เสร็จแล้วคุณเองคุณกินอาหาร กินอาหารอาหารนั้นเป็นรู ป, ปรธรรมถ้าเรานับวราติดอาหารอันนี้มันเป็นโอราริกอาอัตตาตัดเขตรู ป, ปรธรรมกินและเอาแต่นามธรรมเอาแต่ความรับรู้สึกรสรูปรสอะไรก็แล้วแต่เป็นนามธรรมแล้วรส ที่คุณยังติดรถอยู่นั่นเป็นกามเอาเฉพาะกามมุปาทานยึดติดว่าเป็นรถที่หม่สมมติว่าอย่างนี้แล้วมันชอบอยู่อร่อยอยู่ได้รถอย่างนี้หรือสีก็ตามหรือเสียงก็ตามติดยึดอยู่นะ แ, ะแล้วเราก็มีรถสุขทุกชอบไม่ชอบอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ในใจกามมุปาทานนั้นเป็นอรูปะตา มันซอนโดยตัวมันเองกามุปาทานนามธรรมเป็นอรูประอัตตาแต่เนื่องเกี่ยวอยู่กับวัตถุนอกอาหารก็ตามรูปดอกไม้ก็ตามทิวทัศน์ก็ตามทิวทัศน์นั้นเป็นอรูประอัตตาแต่กามุปาทานยึดติดรถว่ามันสวยแล้วก็มันอร่อยใจสักแต่ว่ารู้สวยแล้วก็ไม่ได้เกิดรถอะไร รู้ตามสมมติสัจจะแต่ในปรมาภิเนวทนาเราไม่ได้สุขได้ทุกข์อะไรอย่างนั้นเรียกว่าหมดอัตตาหมดกามุปทานแต่ถ้าเรายังอร่อยอยู่ยังชอบอยังชังอยู่ยินดียังมีขนาดนะยินดีไม่ยินดียังมีรายละเอียดไม่ยินดีนี่จบได้ก่อนไม่มีในใจแม้จะ น่าเกลียดมันก็เฉยๆหมดก่อนไม่ยินดีนี่จะหมดก่อนยินดียังมีขนาดว่ายินดีเพื่ออะไรถ้ายินดีเพื่อเสพสมสุขสมกับใจเราอันนั้นยังเป็นอัตตาถ้ายินดีเพราะว่าเอออันนี้มันเป็นวัตถุโลกมันเป็นสิ่งหนึ่งในโลกอันนี้มีคุณค่าน้วเราก็ ให้มันได้เป็นคุณค่าเพื่อประโยชน์โดยเฉพาะที่ชัดที่สุดคือเพื่อประโยชน์ของอะไรก็แล้วแต่เพื่อประโยชน์มนุษย์โลกเพื่อประโยชน์แก่สัตว์เพื่อประโยชน์แก่โลกก็ไกลไปท่านโลกมันก็ไกลไปหน่อยเท่านั้นเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติก็ชัดขึ้นมาอีกเพื่อประโยชน์แก่คนเพราะว่าเราช่วยคนก่อนคนมันเป็นสัตติควรช่วยก่อนอนี่เป็นต้น นะเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เรายินดีมันเพราะมันเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่เพื่อตัวเราเพื่อทุกๆกคนนะเพรา ะ, ะนั้นเราสร้างยินดีในพืชผักผลไม้เราปลูกเราทำเราอะไรขึ้นมามันยินดียินดีเพื่อผู้อื่นก็คือกุศลยินดีเพื่อเขาก็จะเจริญอุดมสมบูรณ์เป็นเป็นอยู่สุขแข็งแรงอะไรก็แล้วแต่งี้เป็นต้น มันก็เป็นความยินดีในระดับหนึ่งไม่ยินดีในระดับเสพหมดความอยากในชนิดสิ้นความเสพหมดความอยากชนิดสิ้นความเสพไม่เสพในตนแล้วไม่เสพรถเป็นอัทุกรมสุขหรืออุเบกขาเป็นรถอุเบกขาเฉยกลางนิวตรอนสำหรับตัวเองนั่นต้องรู้ได้โดยตนจริงๆให้มาคนอื่นมารู้แทนเราไม่ได้หรอก นี่คือหมดอัตตาเป็นอุปกิเลส้อนแต่อุปกรณ์สอนเราทําให้เขาได้ดียินดีในเขาคุณยังมุทิตาแรงอยู่ปิติแรงอยู่ยังยินดีมากอยู่เป็นมุทิตาเป็นปิติเป็นปราโมทที่ยังแรงมากอยู่เพราะฉะนั้นอุปกิเลสนี้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์เพื่อผู้อื่น แต่ยังไม่สามารถเป็นมีมุมดต้อรู้เท่าทันมีมุดตอนรู้เท่าทันอุปกิล์พวกนี้และก็จนกระทั่งอุปกเล์พวกนี้ไม่มีริษแรงเข้าใจแล้วว่าเออเป็นประโยชน์พวกอื่นแต่เราไม่มีรถมันยังไม่ชื่นใจอะไรไม่ไม่เป็นรถเสพแต่รู้ว่าดีดีเออดีรู้ดียินดีเห็นดีเข้าใจในตัวเองว่ามันดี แต่เราไม่ได้เสพดีนั้นเป็นเราไม่ได้เสพดีนั้นเป็นเราเป็นของเราเนอ่าเป็นมุทิตารู้ว่าดีเมตตาช่วยเขากรุณาทำช่วยเขาสำเร็จพอสาเร็จแล้วจบสมบูรณ์ลวเออดีแล้วนะใจรู้ว่าเออเห็นว่าดีแล้วยินว่าดีแล้วรู้ว่าดีแล้วเข้าใจแล้วว่าดีแล้ววางได้ทันทีไม่มีแรงแม่เหล็กดูดต่อ จะทำนิวตรอนจะวางก็วางได้ทันทีไม่มีอะไรมาติดขัดเพรา ะ, ะนั้นเรายึง ย, ยึด ย, ยักยักยักยักังดูดอยู่คุณก็รู้พาลาังงานของคุณพลังงานของคุณยังดูดอยู่นะยังดูดอยู่นะนี่มันก็ยังไม่อุเบกขาเท่านั้นเองแต่ถ้ามันได้ง่ายเท่าไรวางมุติตารู้ว่าจบแล้วดีแล้วจบไม่ต้องผูกพันต่อไม่ต้องสัมพันต่อเพราะจบแล้วนี่กิจจบแล้วช่วยเขาก็จบแล้ว เราช่วยดีแล้วมุติตาแล้วยินดีแล้วนี่จบตัดอุเบกขาก็ตัดได้สบายขาดได้สบายไม่มีติ้งต๋องไม่มียึกังยังไม่มีนังกระติกไม่มีกาวไม่มีกาวไม่มีอะไรดึงดูดไปอีกวางก็วางทำเป็นนิวตรอนได้ทันทีไม่มีแม้แต่แรงเฉือยไม่มีโมเมนตัมเลยตัดขาดกับื้ อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องรู้ความจริงของเร า, อ, ารเ อ, อรูปรอัตาออต า, าทายินดีศักแต่ว่ายินดีรู้ดีเห็นดีเข้าใจดีแต่ไม่มีอาการพลังงานดูดรู้ไม่ดูดเป็นเราเป็นของเราเราพลังงานของเราพลังงานในตัวเราพลังงานจิตวิญญาณเรามันไม่ดูด เป็นเราแล้วมันวางปล่อยนะอันนี้ก็เจาะลึกก็คงจะเข้าใจอะไรได้ลึกขึ้นไปเพราะเราจะเข้าใจได้ว่าพลังงานในระดับจิตและพลังงานในระดับกรรมเพราะจะเห็นได้ว่าเราเองเป็นคนมีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมและ ร, รู้แจ้งละเอียดเจาะไปถึงขั้นมนโนกรรมถึงเวทนาในเวทนารู้จัก ขนาดนี้คือเนกขมะเราสามารถฝึกตนเป็นเนคขมะออ ก, ออกออกออกออกวางจะเป็นนิวตรอนจะเป็นกลางจนเป็นไม่มีพลังงานแม่เหล็กสลายขั้วบวกลบได้เลยเเยังยังมียังไม่ไม่หมดอัตรายังไม่หมดความเป็นตนเป็นของตนนะคนมาทําลายมันยังหวงเป็นของเราอยู่เราทําให้ดีเลยนะยังอัตมาเนี่ยทำงานเนี่ยนะครังานศาสนา ทำแล้วเขาก็มาทําลายของเราเรายังห่วงเรายังโกรธเรายังเคืองโอ้อย่างงี้ยังไม่ไหวหรอกแต่เรายังแว๊บแปบดิเดินซื้อถือว่าเรามันของที่ยิ่งมีค่าเราก็ยิ่งห่วงมากถ้าเขามาทําลายคุณห่วงเพชรเขามาทําลายเพชรคุณก็แวบแวบที่เพชรตอนนี้เพชรเขาทาลายก็เฉยแล้วของที่มีค่าขึ้นมาต่างๆนานาเราก็หมดแวบบแววัตถุรูปนอกแล้วมันก็มาเป็น นามมาทำมาเป็นค่าของคุณงามความดีมายึดติดคุณงามความดีที่คนอ้าวสมมุติยกตัวอย่างไม่รู้จริงไม่จริงนะอย่างอาตมาเป็นคนอาตมาคงจะเป็นคนมีค่าสําหรับคุณคุณก็ห่วงใครมาทําำลายมาทําลายอาตมาเพราะคุณก็โอ้วันแวบใหญ่เหมือนกันนะถ้าอาตมาถูกทําลายเนี่ยแวบใหญ่เหมือนกันมาทําลายชิ้นนี้ของเราเนี่ยแหมเราสัมปันอย่างนี้มันก็เป็นระดับระดับขึ้นมาอ่าอ่า ถ้าคนเขามาทําลายในระดับธรรมณะที่คุณยังไม่ศรัทธาสูงเท่าไหร่ก็มันก็จะมีความผูกพันหรือแว็บหงแหนหรือว่าจะพลังงานพลังงานไม่ชอบไม่ชอบใจมันไม่ถึงโกรธอนะแต่มันไม่ชอบใจก็จะมากน้อยต่างกันในระดับเอาทำองค์ที่ไม่รู้นะพวกคุณศรัทธาองค์นู้องค์มากกว่าธรรมาหรือเปล่าไม่รู้นะ สมมติไปนะตามค่ากลางๆสมมุติเอาตามเดาถ้าคุณไม่ได้ศรัทธาเทวตมาคุณศรัทธาธรรมามากกว่าถ้าทําวงโน้นก็มันก็จะขนาดนั้นนะมันก็จะไม่ชอบใจหรือว่ายึดติดขนาดนั้นเพราะยังเป็นโอราดิกระอตตาในระดับที่ยังกินกัลวิกราหาร แ, แต่ก็มีซ้อนอยู่ในนั้นมีพลังงานคุณค่าอยู่ในนั้นยิ่งกวเพชรยิ่งกว่าทองเราก็ห่วงแหนเราก็รักษา แล้วก็ช่วยพอมีประโยชน์ถ้าเป็นมรัตรมาค ก, ก็ยิ่งถือมากกว่าอะไรงี้นะมันก็มีเป็นตามลําดับบ้างแต่ถ้าพบว่าวางจะได้แต่เป็นพระอาหารหันตก็รู้สักด์แต่ว่ารู้ถ้าจะป้องกันช่วยเหลือก็แน่นอนก็ป้องกันตามควรนะป้องกันสิ่งที่มีค่าก่อนไปค่าประโยชน์ต่อสัตว์โลกมนุษย์โลกในโลกมีค่ากว่าก็ช่วยรักษาดูแลห่วงแหนมันก็ไม่ได้ถึงจิต ถ้าเผื่อว่าเกิดสุดวิสัยถูกทำลายจบก็ไม่มีการอะไรอาวรนเออเขรู้ความจริงว่าอาตมาถูกเขาฆ่าตายพระโมกคลาถูกฆ่าตายเลสมุติสิทธิ์สิทธิ์พระโมคขลาเนี่ยพระโมกคลาถูกฆ่าตายแต่ทศคุณเป็นอรหันต์ก็กว่าโอ้ไม่ค่อยดีสักแต่ารู้ว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยควรนะแต่ก็เอาละก็ถัดมีวิบากของท่าน ก็เข้าใจโดยเหตุบิดาของท่านเป็นอย่างนั้นท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นนะวางปล่อยมันก็ไม่ได้มีทุกข์มีสุขอะไรในใจเราสักแเทวรูกรเพราะอาหารนก็จะเป็นจิตอย่างนั้นแต่ถ้าไม่อรหรันนาคามีก็อาจจะมีแวบบอาจต่บ่อาจตาอั ต, อ ต, อตมันอะไรนิดหน่อยอส่วนสกิทาคามีก็ต้องไม่มีมากกว่านั้นยี่เปโซดาก็ต้องมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้า เข้าใจและรู้ไปอีกสิทธ์สกิตโสดาก็น้อยลงไปจากปุถุชนสกิทาก็ยงน้อยลงไปอนาคาก็ยังน้อยลงไปอรหันก็ไม่มีมันก็จะไหลปไปนะเราคิดว่าพวกเราฟังเข้าใจพอมีพื้นฐานแล้วก็ได้ปฏิบัติไปไเรื่อยนะเรียนรู้อัตมาก็พยายามจะเจาะลึกละเอียดถ้าตมาจะเทศหรือจะเขียนทุกวันนี้ก็จะเจาะลึกละเอียดลงไปหาระดับลึกละเอียดพวกนี้จึงจะ สามารถที่จะไปเป็นพระอริยะพระอราหันต์กันได้ว่าทมาก่อนตายก็คงจะต้องให้มีพระอราหันต์และต้องภาคเพียร น, นะปฏิบัติทากิจทำการทำงานทำอะไรนี่แหละเกี่ยวข้องกับสังคมอยู่กับมิตรดีสหายดีสังค ม, ส, งคมสิ่งแวดล้อมดีผู้ใดที่มีภูมิสูงจะรู้จักสังคมสิ่งแวดล้อมจะรู้จักมิตรดีสหายดีพระพุธทธเจ้าท่านตรัสกับพระ อ, อ น, นุ์พระ อ, อนุลบอกว่าโอ้โห มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ชนะพระเจ้าข่าพระเจ้าเจ้าบอกว่าอนนท์ไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งเดียวนะทั้งหมดทั้งสิน้นของาศาสนาเลยอนนท์ความหมายนี้ไม่ใช่ตื่นไม่มีอะไรไม่มีใครไม่มีโจทย์อะไรจะดีเท่าโจทย์มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี ศัตรูข้างนอกก็เป็นโจทย์ให้เราขนาดหนึ่งไม่ลึกซึ้งหรอกพิษมิตรดีสหายดีของเราเนี่ยเป็นโจทย์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าจะทำให้เราเป็นพระอาหารหันต์ได้สูงได้เพราะฉะนั้นคนที่ยังหลงป่าหลงวัตถุนอกอยู่ความเสื่อมของาศาสนาพุทธจึงข้อเนียว่าจะเอามาพูดเนี่ยอัมพตสูตรเนี่ยข้อแรกเนี่ย ความเสื่อมเพราะป่าเข้าใจป่าแล้วพราอยู่กับป่าติดป่านะเพราะงั้นไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายๆหรอกนะถ้าออกจากป่าไม่หลงป่าไมเา่เข้าใจว่าอ๋อป่ามันไม่ใช่ศาสนาพุทธพระป่าที่ออกป่าอย่างข้อเสื่อมข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อตมาว่าจะเอามานะนี่เจอพอดี ความเสื่อมผู้ไม่มีวิจาเดี๋ยวจะค่อยอ่า น, นอัตมาจะเขียนเรื่องนี้าศาสนาพุทธจะให้รู้จะแยกวิเคราะห์เห็นว่ า, าศาสนาพุทธกับศาสนาดูสีในสมัยโน้นเนี่ยมันต่างกันเพราะนั้นวิธีปฏิบัติของพระเจ้านี่คือวิธีโพธิปักเียธรรมซึ่งเริ่มต้นในสีแล้วก็สํารวมอินทรีย์จนเป็นฌานจนเป็นวิจาวิชาเาประการ ความเสื่มเนี่ยอัปทะวิชาสมบัติเจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แหลมีทางเสื่อมอยู่4ประการอ้าอัตมา ก, ก็อธิบายให้อ่านให้ฟังและอธิบายฟังนิดหนึ่งหมดเวลาแนละ้วจริ ง, รงหนงดูกระอัปทะสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ฟังให้ดีนะนี่เป็นความเสื่อมแล้วนะความเสื่อม4ี่นี่ข้อหนึ่งเลยมันก็เป็นความเสื่มแล้วข้อหนึ่งเนี่ยมันประเด็นของความเสื่อมอยู่ที่ในอันตมาถามพวกเราและพยายา ม, มวิเคราะห์ฟังอยู่ สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและเจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้หาบริขารดาบทเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคผลไม้ที่ลนสมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาเจารณะโดยแท้นี้เป็นความเสื่อมข้อที่หนึ่ง เทตมาก็วิเคราะห์ฟังแล้วว่าประเด็นของความเสื่อมในข้อที่หนึ่งเนี่ยมันตรงไหนท่านบอกว่าเสื่อมนะเสื่อมข้อที่หนึ่งแล้วศาสนาพุทธเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมเนี่ยข้อที่หนึ่งท่านตรัสในยุคโนนซึ่งมีพระป่าและท่านก็เคยลงป่าท่านแต่กับพรามทั้งหลายแหละพราม์ก็เข้าใจเหมือนกับพุทธเข้าใจทุกวันนี้ว่าพระปฏิบัตินี่พระป่าหรือพระบ้านความเข้าใจของคนพุทธศาสนิกชนทั่วไป พระ et, ป่าทั้งนั้นเหมือนกันยุคโน้ น, นก็เห็นว่าคนปฏิบัติต้องออกป่าไม่ออกป่าไม่ใช่ผูป้ปฏิบัติไม่ใช่ดาบทไม่ใช่มุนีไม่ใช่รือศีไม่ใช่นักพรตไม่ใช่นักบวชนักบวชต้องออกป่าขานิยมเหมือนกันยุคนี้เหมือนกันกับยุคโนั้นนี่คือความเสือเส่อมเสื่อมพุทธศาสนาชวนไม่มีสมาธิทิฐิอย่างนี้ก็คือเสื่อมคนหนึ่งไม่เข้าใจอย่างนี้เข้าใจว่าต้องออกป่าต้องไปสแสวงหาในป่าเป็นความเสื่อม คนนึงเสื่อมห้าคนคิดอย่างนี้เป็นทิฏฐิสามัญญาตากับของเขาร้อยคนคิดอย่างนี้เหมือนกันก็เป็นทิฏฐิสามัญญาตาของร้อยคนในประเทศไทยมี60กว่าล้านคิดอย่างนี้แม้แต่พวกคุณที่ยังไม่ฟังคําที่อาตมาย้าตรงนี้คุณก็ยังคิดว่าพระป่าอยู่คนไหนก็แล้วแต่ก็คือคนในจํานวน62ล้านนี้นั้นที่เป็นพุทธศาสนิกชนในเมืองไทย มิจฉาทิฏฐิอยู่ดังนั้นน่ะประเด็นมันอาตมา ม, มีเวลาขยายความแล้วประเด็นของข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่มีประเด็นอื่นนอกจากว่าเข้าใจผิดว่าออกสู่ราวป่านั่นคือความผิดถ้าไปพบที่อาตมาวิเคราะห์เลยเมื่อวานนี้น่อยๆถ้าไปบเํเบลเนี่ยสามัคพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบนําเบลท่านที่ถึงพร้อมเลยวิชาจารณาโดยแท้ก็ถ้าเผื่อว่าไปบเํเบลท่านที่ถึงพร้อมเลยวิชาจารณาก็คือผู้เป็นพระอาหารหันต์ ใช่ไหมพอถึงพร้อมวิชารจารณะแล้ววิชาวิชาสมบัติจารณะสมบัติแล้วก็เป็นพระอาหารหันนั่นมันจะเสื่อมทําไมละ่ะสมมุติว่าให้ว่าไปพบจริงๆอยู่ในป่าใช่ไหมมันก็ไม่เสื่อมสิไปเจอไม่ได้น้อยก็ได้มากหรได้อริยะธรรมของพระพุทธเจ้าไม่น้อยก็มากเพราะเป็นผู้ที่มีสมาธิแท h, แต่ๆเจริญด้วยสมบัติจารณาสมบั ต, บติวิชาสมบัติเพราะฉะนั้นเอาสมมติตามท่านไปเลยตามนามไปเลยว่าอ้าวท่านไปเจอพระพระอริยะเจริญด้วย วิชารินะแล้วตรงไหนเสื่อมหาบริาการเขาสู่ราป่าตั้งใจว่าจะบริโภคพลไม้หล่นกินอา้าวมีวินัยดีซะด้วยไม่พราดพืชไม่ขุดดินไม่เก็บพลไมา้เอาพลไม้หล่นกินด้วยวินัยแข็งซะด้วยนะมีจุลศิลป์มชิมศีลมหาศีลซะด้วยเพราะในประเด็นเสื่อมตรงไหนอ่ะออกสู่ราป่าตั้งใจเก็บผลไม้หล่นกินแล้วก็บำเรอสมณพราหมณ์ ที่สมบูรณ์ถึงพร้อม ใ, Omaha, ในวิช <บอ |vi|> าบบบจิจารณะตรงไหนเราประเด็นเสื่อมคำบำเบำบำเริ่นี่มันก็เป็นคําซ้อนให้ขายความว่าโอ้ก็คงไปบําเริ่กันอยู่นั่นแหละคําว่าบําเริ่ลนี่มาแปลนี่ถ้าเข้าถากอาตมายังไม่ได้ดูว่าภาษาบาลีจะว่าอะไรบําเริ่ท่านคนนี้เป็นอาจารย์บําเริู่โพธิบำรุถึงพร้อมด้วิชาดิจารณะอยู่ก็บําเริ่กันอยู่อย่างนั้นแหะแต่ข้อนี้เสื่อมข้อที่หนึ่งแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เป็นความเสื่อม ข้อที่หขอาศาสนาพุทธเสื่อมถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้มานทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้แหละเข้าใจอย่างนี้มิตรทีอย่างนี้ร่วมเสื่มแล้วข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือไม่ใช่ปฏิบัติอย่างโพธิปักเกียร์ทอย่างนี้เข้าป่าทีไม่มีมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีประโยชน์สิ่งสาราสัตว์ใช่ไหมนี่ออกหนีจากมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไป ออกนี้จากมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไปออกจากทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ออกทักไปจากทั้งหมดทั้งสิ้นของธรรมวินัยนี้หรือศาสนานี้มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวลงดล้อมดีคือทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาคือทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์คือทั้งหมดทั้งสิ้นของธรรมวินัยใช่ไหมแล้วออกจากอันนี้ไปไปป่าพรากห่างไปแล้วเข้าใจผิดว่าไปปลีกเดียวด้วย นี่คือทางที่เป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องที่ชักจะแปลงแยกแล้วหนักหกเข้าก็กลายเป็นแปลงแยกเลยนี่คือความเสื่อมเอาเราเวลาหมดลงเลยเดีอีกหนาทีต่านั้นอาตมาหมดเวลามันก็ต้องเอาเทาเทเวลาเอาค่อยๆอธิบายไปนะไม่ใช่ว่าไม่ติดตามแล้วก็ฟังแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติอ่ะพ่อเลืจบเอาวันนี้อาตมา คิดว่าจะเทศในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนะเกิดแก่เจ็บตายของพุทธให้ฟังนะศาสดาอาจารย์ต่างๆนี่นะที่มาทำงานศาสนากันจกนกระทั่งเป็นศาสนาหลายศาสนาแก้ปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่สำเร็จ อาตมาพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ไปดูถูกหรือว่าไปขม่ขมข่มไปข่มผู้อื่นผู้ใดแล้วนะแก้ไม่สําเร็จที่แก้ไม่สําเร็จนั้นอาตมาเชื่อมั่นในาศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ า, าศาสนาอื่นใดนี่นะที่ว่างจากมรรคองค์8นะไม่ได้ปฏิบัติตามทฤษฎีมรรคองแปดทฤษฎีมรรคองค์ 8, ค8เป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะโรเบิร์ตอาเบิร์ตอาเบิร์ตไอน์สไตน์คนพบ ทฤษฎีสัพพะภาพนี่ก็ว่ายิ่งใหญ่แล้วนะทฤษฎีสัพพะภาพที่โพเทเรียมวิทยาศาสตมารู้ดีว่าในค้นพบทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นทฤษฎีที่ดูเหมือนสั้นๆนั่นนะทฤษฎีบอกสูตรและมวลสั้นๆนิดเดียวเหมือนมรคองแปดนี่แหละ มันก็เหมือนทฤษฎีที่บอกสูตรไว้แล้วก็สั้นๆมรคองแปมีอะไรบ้างนีมีสมาธิสมาสังกัปปวาจจกรรมตะอาชีวะวายามสติแล้วก็สมาธิแปหลักและแปลว่าอะไรก็ง่ายๆแต่ที่จริงมันยิ่งใหญ่นะทฤษฎีของไอน์สไตน์ก็เหมือนกันจะบอกว่า space and time of continuum หรือว่า e ทกับ mc กํงสองก็บอกสูตรของไอน์สไตน์นิดเดียวอะนะ แต่มันยิ่งใหญ่เรียนกันหัวผูหัวพังขนาดดอกเตอร์เรียนกันไม่รู้หัวผูหัวพังกันมาไม่ใช่ง่ายๆ่ชั้นเดียวกันทฤษฎีของพระเจ้ามีหลักแปหลักนี่เท่านั้นเลยก็ยิ่งใหญ่โพธชงเจตมรรคองแปดสองทฤษฎีนี้พระเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าเกิดโพธชงเจตจึงเกิดหรือพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นทฤษฎีมรรคองแปดจึงเกิดศาสนาอื่นลทัทธิอื่นจะไม่มีทฤษฎีนี้ ปราศจากสมณะสีเหล่าปราศจากสมณะสีเหล่าก็คือปราศจากพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้ที่ปินิพาน์แท้ปานิพาน์จริงชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้จริงจังสูงสุดคือมีสภาพที่สูญคือสุญญาตาอย่างสนิทอย่างแท้จริงเกิดก็เกิดได้อย่างดีจะเกิดไปอีกยาวนานไม่ว่าจะศูนย์ศูนย์ได้เป็นตัวเกิดตัวจบตัวเกิดตัวตายที่สมบูรณ์ พระรูปเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ท่าน ก, กปฏิเสธศาสนาอื่นว่าท่านยืนยันแน่นอนว่าไม่มีที่อื่นปราศจากศาสนานี้ไอปราศจากทฤษฎีมรรคองแปดนี้แล้วก็ปราศจากสมณะสี่เหล่าท่านยืนยันนะอาตมาเชื่อไม่ได้เชื่อเพราะพระพุทธเจ้าตรัสแต่อาตมาเชื่อเพราะเรื่องเหล่านี้มันรึกซึ้งเห็นได้ด้วยตนองาตมาว่าอาตมาได้กระทาประพฤติแล้วเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นเป้า หลักของพุทธศาสนานเป็นอย่างไรนะพุทธศาสนาพิสูจน์ความสมบูรณ์นี้ตั้งแต่ว่าจะไม่ต้องเกิดโดยจับเป้าเข้าไปที่ไม่ต้องเกิดกิเลสไม่ต้องเกิดกิเลสกิเลสนั้นศูนย์กิเลสนั้นหมดตัวตนเรียกว่าอนัตตาอนัตตานี้คือความไม่มีตัวตนของกิเลสแต่พระอาหารหันต์เจ้าที่ยังไม่ตายจะมีร่างกายนะยังมีตัวตนขันห้าของร่างกาย ยังดําเนินไปอยู่ยังต่อไปอยู่จนกว่าจะปรินิพานยังไม่ปรินิพานก็จะดําเนินไปอยู่แต่ว่าสามารถทํากิเลสให้ดับสนิทได้ต้องรู้ว่ากิเลสคืออะไรมีญาณทัศนวิเศษมีตาทิพนั่นเองอ่านกิเลสออกรู้อาการของกิเลสที่เรียกว่าวิติกรรมกิเลสถึงกิเลสหยาบรู้ว่ามันเหลือน้อยลงแล้วเป็นกิใจคันกลางปริยุทธานกิเลสจนกระทั่งถึงอนุสัยกิเลสคือกิเลส อย่างละเอียดก็รู้จับอาการลิงค์นิมิตมันได้จับได้จริงๆเลยนะฟังอุทเทศรู้จักอุทเทศแล้วผู้ที่ยกอุจเทศขึ้นแสดงฟังแล้วก็เอาไปศึกษาดีแล้วก็ไปฝึกขัดอบรมตัวเองจนตัวเองเกิดเห็นจับอาการนิมิตของมันได้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไง อ, อย่างหยาบยังไงกลางนี่มันเป็นอาการยังไงแค่ไหนมีเครื่องหมายให้จับรู้ได้มันเป็นนามธรรมาแต่จับรู้ได้อย่างแม่นอย่างชัด ทำอย่างไรมันถึงลดลงแล้วมันลดลงได้จริงไหมอารมณ์ของกิเลสลดลงแล้วเป็นอารมณ์เรียกว่าธรธรมะในระดับธรรมรดเป็นรสของการหมดกิเลสหรือลดกิเลสกิเลสจางคลายเป็นรสยังไงเรียกว่าธรรมรดหรือยิ่งกิเลสหมดเป็นวิมุตติรสรสเป็นยังไงอ่านอารมณ์หรือว่ารสของการหมดกิเลสนะั้นเป็นอารมณ์ยังไงรสชาติยังไงจะรู้เองเป็นปัจจัตังเวทิตโภวินยูหิกนะรู้ได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้จักอริยสัจ4ีตรงที่ว่าจะต้องจับเป้าว่าเหตุสมุทัยของทุกสมุทัยของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันอยู่ที่นี่ค่อยๆฟังไปนะจะถึงขั้นเก็บเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายด้วยแต่อาตมาจับเป้าให้ฟังแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายของกิเลสเมื่อกิเลสเนี่ยมันมีมันก็จะเกิดทีนี้กิเลสเนี่ยมันเก่งนะ มันเกิดเกิ ด, กดแล้วไม่ค่อยแก่มันซวยตรงนี้่ถ้าาไม่เรียนรู้จริจรงๆแล้วไม่ค่อยแก่คนไหนที่จะสามารถทำให้กิเลส ท, ที่มันหยุดความโตของกิเลสแล้วก็ทำให้มันแก่ลงแก่ลงน้อยลงน้อ ย, อยลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจนกระทั่งสุดท้ายตายแงั้งแง่ตายอย่างเสด็จญาติตายอย่างสนิท จ, จริงๆได้ นั่นคือความสามารถที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นคน <Yeah. S 1> นั่นเป็นความสามารถที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นคนกิเลสนี่มันมอีกกิเลสเจ็บ น, น่มันมันคงยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรอ ก, กถ้ามันไม่ถูกฝีมือพระอริยะทำให้มันเจ็บเพราะนั้นกิเลสนี่ถ้ามันไม่เจอพระอริยะจริงก็คือเรานี่แหละกิเลสของเรานี่แหละไม่ต้องไปพูดอื่นนะเราสามารถที่จะ หนาวล้วันนี้หนึ่งแผลแล้วกิเลสชั่วเจ็บไงนะกิเลสร้องเจ็บเนี่ยเราก็ได้แต้มขึ้นมาเรื่อยๆกิเลสเจ็บนี่หมายถึงว่าเราจะเจริญเรื่อยๆเพราะฉนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยกิเลสมันก็อยู่ในตัวเรากิเลสเจ็บมันเหมือนตัวเราเจ็บเัน้ยนะโอ้ยคนไม่ค่อยสู้พอกิเลสเจ็บหน่อยก็อ่อนแอมอยหาแล้วทนไม่ได้ไหนคนอ่อนแอปฏิบัติธรรมไม่ได้เงี้ย มันต้องเป็นนักสู้ที่จะต้องรู้ว่ากิเลสเจ็บมันเหมือนกับหยิกเนื้อหยิกนหยิกเลบเจ็บเนื้ออะไรอย่างงี้มันมันติดกันใกล้กันจริงจมันอยู่ที่ใจเราจิตวิญญาณเรานี่แหละเราฆ่ากิเลสเนี่ยมันเหมือนมันเจ็บตัวเองเหลือเกินนะมันแหมโอ้มันอยู่เรื่อยอ่อนแออยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นกิเลสมันจะเจ็บชังหัวมันเราจะเห็นกิเลสบาดเจ็บเสร็จแล้วมันมันก็ถึงตายแก่ลงกิเลสมันก็เป็นเหมือนกับมี เป็นมวลเหมือนกันเมื่อกิเลสมันมีมวลลดลงน้อยลงเจ็บแล้วก็ตายลงไปได้เรื่อยๆกิเลสแต่ละเรื่องแต่เรื่องเหมือนมีมวลเหมือนกันแต่มันเป็นนามธรรมไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันไม่เป็นนามธรรมอ่ามันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนวัตถุมันเป็นนามธรรมแต่มันก็มีจะเรียกว่าปริมาณมันก็มีจะเรียกว่าคุณภาพของมันก็เรียกโดยภาษาจะเรียกว่ามันเป็นเม็ดก็มันมก็จะไม่เม็ดไม่ใช่เป็นเม็ด จะเรียกว่ามันเป็นกระแสมันก็ไม่ใช่กระแสเมือนกัควอนตัมกับโฟตอนแกทะเลาะกันน่ะทะเลาะกันว่าแสงเนี่ยมันเดินเป็นเม็ดนะอีกคนบอกไม่ใช่อ่ะแสงมันเป็นกระแสเขาก็พิสูจน์กันนะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเม็ดเอาอะไรมากั้นเนี่ยแน่แสงมันก็ต้องเดินไม่ได้สิมันเป็นเม็ดถ้าเอาอะไรที่มันมีความทึบที่จะไม่ให้แสงผ่านได้มันต้องหยุดสินี่เงี้ยเขาเถียงกันวิทยาศาสตร์เขาก็วากันไปนะ ไอ้ส่วนฝ่ายบอกกระแสะก็บอกไม่ใช่ล่ะมันเป็นกระแสะเอากระแสะมันก็มีทางหยุดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยทะเลียงกันไปตามเรื่องทีนี้ไอ้นามมาทำของกิเลสจะเรียกว่าเป็นกระแสะก็ไม่ได้จะเรียกว่าเป็นเป็นเม็ดก็ไม่ได้แต่มันมีปริมาณที่ลดลงได้เพราะงั้นคนที่มียานทิพย์มีวิธีที่ถูกต้องทำให้ลดได้กิเลสตายได้ลดจานวนลดคุณภาพลดริดแรงลงได้นั่นแหละคือการ การแก่ของมันแล้วก็การตายของมันทำไมฉะนั้นแล้วมันเกิดเกิดเกดเกดเกดไม่มันเกิดไม่หยุดไม่หย่อนเลยจริงไหมจริงไหมไมยอมรับเลยนะนี่พวกคุณมาเรียนรู้แล้วเนี่แต่เป็นความคนทั้งโลกเขาไม่ค่อยรู้หรอกเขาบอกกิเลสมันเกิดทุกวันทุกวันจริงไหมเกิดทุกวันนะเกิดมากๆคือทุกวันน่ะไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆนะทีนี้พวกคุณมาเรียนรู้แล้วคุณจะรู้ตัวว่าโอ้โ oh, ห oh เรานึกว่ากิเลสนี่เรามีน้อยนะยิ่งปฏิบัติธรรมไปเท่าไหร่แล้ว ทำไมมันมาอย่างไงมันมากเลอเกิดไม่ใช่มันมาหรอกมันมีมันมีอยู่แล้วในตัวเรานั่นน่ะมันเยอะแต่ก่อนนี้เราไม่รู้ตัวมันไม่รู้มันจุอยู่ที่นี่ไม่รู้กี่ตันมันไม่เห็นมันไม่มีตาทิพมันไม่รู้ตัวว่าเรามีกิเลสและไม่เข้าใจว่าอย่างนี้คือกิเลสทีนี้พอเราศึกษาไปตาเราก็ชักดีมีดวงตาแห่งธรรมมีธรรมจักสุเกิดตาทิพเกิดญาณทิปรู้ว่าโอ้โหเจอมันอีกแล้ว ทั้งๆ ท, ที่เรายิ่งมาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับทางโลกที่จะไปรับเอากิเลสมามากเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเราจะมีศีลมีธรรมมีการทีอาโคจรแล้วก็ไม่่อยไปแล้วแต่ก่อนนี้เราไปแหลกเลยที่ไหนก็ไปหมดดะเลยไปที่ไหนมันจะมีเชื้อโรคกิเลสอยู่เท่าไหรเราไม่เคยคิดแต่เดี๋ยวนี้เราคิดแล้วเออหนีไปรับเอาเชื้อโรคกิเลสมาไม่เอาหยุดดีกว่าพักแล้วเราก็มาหาทางที่จะไม่ไปสัมผัสแต่ต้องไม่ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องตามวิธีการที่พระอาจารย์สอนเราเราไม่ไปคลุกคลีเกี่ยวข้อง กับกองกิเลสหรือกับหมู่กิเลสไม่คบคนพาลไม่คบมิจฉุก่วไม่คบผู้ที่จะนําพาเราไปเติมกิเลสนั่นแหละใช่ไหมละ่ะเราปฏิบัติทำแล้วเราก็จะเลือกเฟน้นเราจะอย่างนี้ขนาดอย่างนี้เราก็ยังเห็นกิเลสเรามากขึ้นมากขึ้นที่จริงเห็นมันมัทางมามันไม่ค่อยมีแล้วละ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาตัวไปคลุกคลีไปดูดซึมมาแต่เราเห็นเพิ่มขึ้นนี่จึงไม่ได้หมายความว่าเรามาเพิ่มกิเลสให้ตัวแต่กิเลสเรามีตาเราดีขึ้นเราจึงเห็นว่ามันมี มันเลยมากขึ้นไม่ใช่มันมากอยู่เก่ามันมีมากอยู่แล้วแต่ตาเราไม่เห็นมันไม่รู้จักมันนี่เลยว่าเรารู้เราตื่เกิดตาดีขึ้นแล้วเห็นกิเลส ข, ของตัวเองแม้มันจะมีอยู่มากมันจะยังไม่ได้ทําทีเดียวว่าไม่ให้เกิดเลยไม่ได้ไปรับเอามาอีกบ้างเราก็มีวิธีการนะถือศีลถือธรรมลดจํานวนพยายามทํากันอย่างเคร่งครัดต้องมีทางไปที่ดีเป็นทางโคจรที่ดีอโคจรเราไม่ไปไม่ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกมูที่จะเติมกิเลสแล้วก็เล่าเว้นกันมาตามแต่ละใครก็แล้วแต่ จะมีปฏิพาณรู้ว่าจัดแจงตัวเองให้มันได้ได้ทิศทางที่ดีมันก็จะไม่เพิ่มไม่ดูดไม่ซึมแต่ขนาดนั้นทำไมเอาจริงนะไม่จัดการกับมันน่มันก็เกิดมันก็ฟักตัวมันก็เหมือนก็หมักเครื่องหมักเครื่องดองเนี่ยมันก็ทำงานอยู่เรื่อยๆรืเราจึงต้องปฏิบัติเพื่อฆ่ามันให้ตายลงไปเรื่อยเมื่อฆ่าลงมันจะตายไปเรื่อยรยแล้วมันก็ความเกิดของกิเลสก็น้อยลงเพราะ เราซัดมันซะให้เจ็บเอามันให้แก่เอามันให้ตายฟังให้ดีนะไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเกิดจากตัวกิเลสนี้เป็นต้นเหตุตามอริยสัจสีใ่ใช่ไหมใช่ไหมสมุทัยมันเกิดมาจากกิเลสตัณหานี่เป็นตัวเหตุตัวสมุทยัยเพราะเราจับเป้าให้แม่นอ่านกิเลสให้ออกทําให้ถูกเมื่อถูกแล้วเราก็จะดับความเกิดคือกิเลสนี่เอง ทำให้มันเจ็บทําให้มันแก่ทําให้มันตายด้วยฝีมือเรานะช่วงแทงให้ตรงหัวใจเลยนะหัวใจกิเลส น, นะอย่าไปแทงใครแทงหัวใจคนชั่วใจสัตว์อื่นเราไม่ไปทําลายอย่างนั้นแต่เราทาลายกิเลสเนี่ยช่วงให้มันมัน่นเลยให้มันตายได้เรื่อยเมื่อเราทําแล้วเราก็จะลดความเจ็บปวดทุกข์ร้อนในเรื่องของกิเลสลงมากิเลสมันจะตายเราสรุป ง, ง่ายง่มันจะตายตั้งแต่เรายังไม่ตายเราจะเกิดตาทิพย์จะเกิดเห็นจริงแล้วกิเลสตายยังไง มันตายได้ว่าอะไรตายฟื้นคืออะไรก็จะรู้ด้วยนะแม่มันตายยากตายเหยนเหมือนกันนะตายฟื้นอะแล้นึกว่ามันตายแล้วอ้าวเพื่อนเกิดอีกเล่นเจ้าเลาะเจะรอเถิดกับเราอีกมันมีจริงๆไอ้เจ้ากิเลสนี่มันร้ายจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฆ่ามันให้ตายสนิทตายไม่เกิดอีกอย่างแน่ใจมั่นใจนะเอาละสมมตุติไม่ใช่สมมุติเราคนทําได้ก็จะทําได้จริง เราก็สมมุติไว้แต่คนทําได้จริงก็ทําได้จริงคือกิเล่มันตายไปจากตัวเราจะเกิดตายไปจํานวนหนึ่งเหตุปัจจัยหนึ่งหรือหลายเหตุปัจจัยก็ตามแท้แต่แต่ใครจะทําได้จริงเมื่อมันตายลงไปแล้วการเกิดของร่างกายก็ยังเป็นอยู่เมื่อเรามีกิเลสสมมุติไปอีกให้ลึกเลยเป็นพระอาหารหันต์เมื่อกิเลสทุกชนิดตายหมดฟังต่อนะฟังค่อยๆต่อฟังเรื่อยๆไปนี่อันนี้ก็ประมาณตามเท่านั้นเรียนรู้ตามไปเรื่อย เมื่อสมมติว่าพระอรหันต์เจ้าเนี่ยเราก็บอกแล้วตามสูตรพระเจ้าท่านก็สอนไว้ตามทฤษฎีหลักการบอกไว้หมดแล้วกิเลมันตายหมดในหัวใจจริงๆเลยเหลือแต่จิตบริสุทธิ์สะอาดจิตมันก็จะทํางานเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์สะอาดซื่อตรงมีความเมตตาเกื้อกูลอย่างแท้จริงอดทนช่วยเหลือเฟื่องฟ้าอย่างสําคัญสร้างสรรค์อยู่มันจะเป็นตัวอย่างนั้นเลยจิตที่ดีนี่จิตที่เป็นกุศลจิตของพระอริยเจ้าชั้นสูงนี่เมื่อนั้นเราเรียกว่าเราจบ จะจบชาติกิเลสของพระอาหารหันต์ไม่มีแล้วเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ทุกอย่างบริสุทธิ์จบชาติแล้วยังไม่ตายในรูปนามขันธ์หร่างกายยังไม่ตายแต่จิตเป็นจิตบริสุทธิ์เมื่อ น, นั้นจะมีความเกิดอยู่ก็คือเกิดอยู่แต่ร่างกายนี่แหละมันเกิดแล้วมันก็แก่มันจะมีวิบากมันจะเจ็บจะป่วยได้เหมือนกันเป็นทุกข์ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้พระอาหารหันต์เจ้าพระพุทธเจ้า ก, ก็เลี่ยงไม่ได้โอดโอยทุกคนนี่มันเจ็บมันป่วย แต่มันก็ต้องแก่ห้ามไม่ให้แก่ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ห้ามแก่ไม่ได้สำหรับร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเหตุแท้ไม่ใช่ตัวสมุทัยแท้ตัวนี้มันเป็นเพียงขันที่มีองค์ประชุมของาธาตุเท่านั้นเองทีนี้พระอระหรันต์เมื่อดับตัวเหตุปัจจัยที่สำคัญแล้วนี่ได้ไม่เกิดกิเลสอีกคุณจะรู้ว่า กิเลสแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่นะตั้งแต่คุณจะศึกษาไปเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอ๋อเรื่องนี้มันตายนี่เหตุปัจจัยนี้มันตายสมมุติอัตมาเคยสมมติซ้ำซากเราติดบุหรีมันก็เป็นกิเลสบุรีมันอร่อยมันขึ้นสวรรค์ห่อหอสวรรค์ลวงเลว่าสมมติเทวะเป็นเทวดาหลอกมันหลอกเรามานานพอเราฆ่าตายแล้วเทวดาหลอกก็หายเกิดเทวดาจริงขึ้นมาคือกิเลสตายกิเลสตายขึ้นนี่ได้จนตายสนิท ก็เป็นโซดาภูมิส ก, กิทาคามีภูมิมานาคามีภูมิอรหัตตภูมิหรือเป็นอรหันในบุรีกิเลสมันหมดเลยมันเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งเลยวโอ้ไอ้นี่นไปงงเงาไปเป็นธาตุมันอยู่ได้ไปหลงว่าความสุขนี้เป็นสุขจริงที่จริงไม่ใช่สุขเจ่งสุขหลอกเป็นสุขคลิกะสุขหลอกหลอกไม่ใช่ของจริงเลยพิสูจนได้แล้วว่ามันตายสนิทแล้วรสของความว่างมันว่างแล้ว มันไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นาธาตุไอ้รถอร่อยอันนั้นคุณจะรู้เลยว่ารถอร่อยอย่างแต่ก่อนนี้เคยหลงว่าเป็นรถอร่อยนะไม่มีซะก็เฉยเฉยไม่มีก็สบายดีด้วยไม่หลงไหลไม่ติดยึดในโรกีรรถนั่นอีกเลยแล้วก็เราก็ไม่อยากได้เมื่อคุณเกิดภูมิมาทำถึงขั้นนี้เป็นอรหัตผลคุณจะรู้ว่าอ๋อลักษณะศูนย์ลักษณะอรหัตผลเป็นอย่างนี้ เมื่อคุณมีหลายเหตุปัจจัยบุรี่ก็เลิกได้เหลาก็เลิกได้เล่นอาการพนันก็เลิกได้อบายยมุกต่างๆเลิกได้แม้แต่ที่สุดรูปรกเป็นเคียงสัมขัสในเหตุนั้นเหตุนี้เสือสวยเสื่องามอของใช้ของสรอยอุปโภคบริโภคงามสวยอะไรลดลงไปได้อีกมันจะมีข้อมูลที่จริงยืนยันให้แก่คุณรู้ว่าโอการลดละป ล, ะปล่อยลงไปอย่างนี้การลดกิเลสที่มันเป็นลหลงไหลได้ปลืม้มมาเป็นการมสุขลิกะเป็นสุขที่เสษสมสุขสม อ๋อมันหมดไปแล้วมันก็ว่างบบางี้มันยิ่งปลอดโปร่งเบิกบาน ร, าร่าเริงอยู่ในโลกเขายังไม่เป็นทาสเป็นไทยแก่ตัวโอ้เบิกบานสดชื่นดีเห็นไหมนะยิ่งถูกจับก็ยิ่งเบิกบานอย่างอาตมานี่ไม่ได้กลัวไม่ได้หยัด น, นะนี่ยกตัวอย่างมันเหมือนอวดตัวอดตนเมืออกันนะ้นะนะไม่ได้วันเกรงแล้วคุณจับก็จับไปได้แต่ร่างกายของเราเท่านั้นแหละจะไปเอาเข้าคุกหรือแม้จะเอาไปยิงเป้าทิ้งมันก็ได้แต่ร่างกายแล้วเท่านั้นแหละ จิตใจของเรามันไม่เจตัวไม่เจตตนอะไรแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ไปหดเหียวหอ่อเหี่ยวอะไรมันก็สบายแล้วไม่ได้ติดไม่ได้เป็นทา่าอะไรถ้าเราสามารถจะเปิดเผยความจริงให้เขาเห็นได้ว่าเราไม่ได้มาทําเร็วทําชั่วร้ายเราทําดีพาคนให้พ้นทุกข์พาคนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริงได้เขาเห็นจริงเขาก็ปล่อยเราเองแต่เขาไม่เห็นจริงก็เป็นความผิดของเราที่เราไม่สามารถเปิดเผยความจริงให้ เ, ing, เขาเห็นได้เมื่อเขาเปิดเผยความจริงให้เขาเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้เขาก็ลงโทษเราเป็นคนผิด จะจับครั้งคงจะยิงเป้าเราก็ไม่หวาเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่เก่งคนไหนตาดีรับรู้ได้ก็รับไปคุณยังไม่ถูกจับคุณก็ทำทำับทต่อหรือใครจะหยุดถาอาตมาถูกจับเข้าคงจะหยุดไหมนี่จะหยุดปฏิบัติไหมอาอยู่เฉียวฮะแน่ใจนะ <c oughs> แน่นะทาให้อาตมาหลงดีใจมกักง ความมั่นใจพวกนี้มันอยู่ที่คนเจ้าตัวเจ้าตัวใครเจ้าตัวมันอาตมาพูดมาหลายครั้งหลายคราวหมู่นี้ยิ่งพูดซ้าซากเลยว่าอาตมาไม่ได้มาบังคับอาตมาไม่ได้มางอนงออาตมาไม่ได้มาหลอกอาตมาไม่ได้มาทําอะไรอาตมามาเปิดเผยความจริงทฤษฎีเป็นอย่างนี้ความหมายเป็นอย่างนี้เรื่องจริงเป็นอย่างนี้อาตมาแนะนําคุณไปคุณไปพิสูจน์เอาเองเอหิปสิโก้ท้าทายพิสูจน์คุณพิสูจน์ได้แล้วคุณเชื่อตัวเองคุณจะมาลงโทษอาตมาก็ไม่ได้คุณจะไปลงโทษคนอื่นคนไหนก็ไม่ได้ทางนั้นน่ะ คุณทําได้แล้วคุณพอใจไหมคุณทําได้แล้ววิมุติเป็นอย่างนี้ละเนี่ยวิมุตติรสเป็นอย่างนี้การฆ่ากิเลสไม่มีกิเลสเกิดไม่มีกิเลสกิเลสจะเจ็บจะแก่จะตายอีกแล้วมันตายแล้วเป็นอย่างเงี้ยถ้าคนเป็นอย่างเงี้ยกิเลสตายแล้วเป็นอย่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยเรียกว่าอารมณ์นิพพานนี่อารมณ์กิเลสตายเป็นอย่างนี้คุณจะเอาหรือไม่เอาคุณตัดสินเอาเองคุณไม่เอาก็โยนทิ้งไปเอาโลกีเยรสเชิญจะไปเอาเมื่อไหร่ก็ได้มีพวกเยอะโดนเข้าไปเลยรับรองมีพวกไม่ต้องห่วงไม่ต้องว้าเวเลยมาก แต่ทั้งนี้สินน้อยแต่น้อยมันก็เพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันนะเอ๊มีคนเอาเหมือนกันยุคกาลนี้อาตมาว่ายังไม่ล่มเหลวยังมีคนเห็นศาสนายังมีคนเอาศาสนายังมีคนเอาวิมุติรสยังมีคนเอาอาตมาพูดจ้ำไม่รู้กิจทีซ้ำไม่รูกิจทีว่าอาตมาไม่เชืวว่อคุณมาหลอกอาตมาเพราะคุณมาเห็นจะเห็นน้อยเห็นมากก็แล้วแต่คุณต้องเห็นของตัวเองนะแล้วมันก็รับเองแล้วมันก็มั่นใจเองเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบอกแล้วว่าแม้อาตมาจะตายอาตมามั่นใจในสัจธรรม มันมั่นของมันเชื่อถือมันเอาของเขาของเขาคงไม่ใช่ของใครบังคับมันพ้นเชื่อถือตามจริงพ้นในหลักการามรสูตรสิบของพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อตำราเราไม่ได้เชื่อไอ้ปรมปราเราไม่ได้เชื่อไอ้ความคิดเห็นเฉยเราไม่ได้เชื่อครูบาอาจา ร, รย์แม้แต่มราไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นในหลักการามรสูตรสิบเราเชื่อเพราะเราปฏิบัติเป็นกุศลเป็นสิ่งที่จริงแล้วเราก็เชื่อมันอันนี้ของเราเองใช่ไหมคุณเชื่อตัวคุณเองเพราะงั้นอาตมา ไม่กลัวหรอกว่าคุณจะไม่ทําต่อเมื่อคุณเชื่อของคุณความจริงอันนี้เป็นสัธจธรรมมันจะไปต่อจะตายไปอีกกี่คนก็ช่างมันเถอะคนที่เหลืออยู่ทําต่อจริงๆทําของตัวเองนั่นแหละมันพอใจมันยินดีอาตมามั่นใจในตัวเองทุกวันนี้ก็เพราะาอาตมามันมันมันเห็นชัดๆมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเปลี่ยนได้อาตมายังนึกไม่ออกอะไรจะมาเปลี่ยนความเห็นที่อาตมาเห็นจริงเห็นจังนี่ได้อาตมามไม่รู้นึกไม่ออกเหมือนกันว่าอะไรมันจะมีเก่งมาเปลี่ยนความเห็นนี้ได้เปลี่ยนไม่ได้อาตมามั่นใจในความจริงอันนี้ จะเดินทางาในทิศนี้สภาพที่ได้นี่มันเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาไม่เอาจะอะไรมาเหนือกว่านี้อีกมันโลกุตระอะไรในโลกมันไม่เหนืออันนี้เลยจริงเพราะฉะนั้นผู้ใดปฏิบัติได้ในการเกิดการแก่การเจ็บการตายของกิเลสเนี่ยปฏิบัติได้จริงอันนี้หลยเป็นตัวหลักตัวหลักแท้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเองคุณไม่มีตัวกิเลสคุณจะรู้จักสังสารวัฏ สังสารวัตคือมันเกิดได้กิเลสมันก็เกิดแล้วคืออะรนอยากแล้อยากเสพแล้วเพราะอยากแล้วมันก็ต้องแสวงหามาเสพบําเรอเพราะได้บําเบลขึ้นสวรรค์เดี๋ยวตกสวรรค์ใหม่อยากใหม่อีกก็บําเบอมันอีกนี่เราเวียนวนนี่เลยเราสังสารวัตอยากก็ทุกได้บําเบอก็สุขอยากก็ทุกบําเรอก็สุขอยู่เนี้ยแล้วแลเหล่าๆไม่รู้กี่ชาติองกี่ชาติอย่างเงี้ยนี่คือสังสารวัตของการเสพ พอเรามาตัดสังสารวัตนี้ได้ไม่ยากไม่ต้องบําเลออยู่เฉยๆว่างๆอุเบกขาสบายๆว่างๆโปร่งๆไม่ยากอีกความเกิดความอยากกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่ต้องแก่มันก็ไม่ต้องเจ็บแล้วมันก็ไม่ต้องตายอีกก็มันก็ไม่เกิดแล้วแล้วมันจะเออะไรมาตายอ่ะเห็นไหมว่าความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีแล้วเห็นไหม ตาทิพย์จริงๆวอดอุตรีมนุษธรรมแล้วเนี่ยตอบรับเลยว่าเห็นฟังให้ดีนะนี่คือการตัดสังสารวัตรไม่มีแล้วความเกิดกิเลสไม่เกิดนั่นเองมันไม่เกิดแล้วมันจะเอาอะไรมาแก่เอาอะไรมาเจ็บ嘛เอาอะไรมาตายมันไม่มีความสมใจอยากสมใจไม่ได้สมใจมันไม่มีไม่มีพลาดหวังไม่มีสมหวังไม่มีไม่มี นี่นะมันจิตว่างว่างจากสังสารวัตรว่างจากความเกิดแก่เจ็บตายอาราธินิสรุปเพราะเหตุว่าเรายังเหลือกิเลสเราจึงต้องเกิดมาหาสแสวงหาใหม่จึงลงสู่คันอย่างลงสู่คันตามวิบากวิบากดีอยากเกิดในบ้านที่มีปราสาทยอดแหลม อยากเกิดในปราสาทยอดแหลมดิ่งลงมาเลยปุ๊บเข้าปราสาทยอดแหลมปุ๊บปรากฏว่าเข้าท้องหมาเพราะว่าเป็นปราสาทแหลมของเตาเผาศพที่สวยงามเตาเผาศพที่สวยงามสร้างไว้จะสวยเลยแล้วมีช่อฟ้าปราสาทยอดแหลม ท, ที่ไหนลงมาปับ๊บลงเข้าท้องหมามันนอนอยู่ใต้เตาเผาเอาอันนี้ก็เล่าตลกตลกหน่อย มันจะไปตามวิบากไม่มีอะไรทําให้คุณเกิดได้นอกจากวิบากของคุณเองคุณจะเข้าบารมีของคุณจะต้องเป็นบารมีเข้าท้องหมาคุณก็ไปเข้าท้องหมาเกิดเป็นลูกหมาลูกแมวลูกเสือลูกสิงอะไรไปตามเรื่องตามราวเป็นเดรัจฉานก็เป็นเดรัจฉานจะเกิดมีบุญได้เกิดเป็นคนก็คนตามขนาดอีกเหมือนกันอยากจะเกิดในพ่อแม่ที่ร่ารวยเป็นเจ้าเป็นนายไปเกิดเนเป็นลูกคนตาบอด ขาเป๋หรือจะเข้าในท้องใครก็แล้วแต่ตามธรรมตามวิบากเลือกเอาไม่ได้ไม่ได้เลือกไม่ได้จริงๆเลยใครไม่เชื่อกรรมก็ก็เลือกของคุณเลือกเอาก็แล้วกันเลือกเกิดมาตามสบายนะกถ้มามา ม, มันเชื่อว่ามันไม่มีสิทธิ์เลือกเกิดมันเกิดมาตามวิบากนะ เ, เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อกุศ ล, ลวิบากอกุศลวิบากเราจึงต้องสร้างกุศ ล, ลวิบากให้จริงคุณเลือกไม่ได้เราต้องของจริงวิบากจริง เกิดอะไรก็เกิดอะไรอตรมากเกิดมารูปหล่อจางนี้ขนาดนี้ก็เพราะกรรมวิบากของอตมาแต่คนหลอกก็อตมามีเยอะอตมาก็หลอเท่าที่อตมาก็หลอกกว่าคนที่ไม่หลอกว่าอตมาจริงไหมอ่านะม่จริงยังไงเราก็พูดคำปัญทุบดินนะนะมันจะเกิดมามีรูปขันนามขันขนาดนี้มันก็เป็นตามมีบากนะมันเรื่องจริงเพราะคุณไม่ต้องไปอยากจะหลอ่ออยากจะสวยอยากจะรวย อยากจะจนอยากจะยังโนนอยากจะงี้หยุดอยากได้แล้วทํากรรมใครอยากจะทุกร้อนเกิดมาจนจนยากยากทำอกุศลกรรมเข้าไว้มากมายนีมนเอาเลยอยากตาต า, ตาบอดขาเป๋หูหนวกเมือ่อเกิดก็คนยากคนจนมีแต่วิบากลําบากลาบนมีแต่คนมาทุบมาตีเอาเถอเชิญสร้างอกุศลวิบากเข้ามามากมมันจะได้อย่างนั้น แต่ถ้าเราประสงค์จะเรียกว่าอยากหรือประสงค์หรือต้องการก็ตามถ้าจะให้มันเป็นกุศลรวิบาเกิดมาดีมาง่ายมาเบาสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคมากก็ต้องสร้างกุศลรวิบาสร้างกรรมที่เป็นกุศลที่ดีกุศลเป็นยังไงก็คิดเอาเองนะ่ะพื้นนสามัญก็มีทำให้มันได้ก็แล้วกันขนาดสามัญสามัญยังทาไม่ได้เลยลึกซึ้งทาได้อีกก็จงทตาตามอินทรียพละของแต่ละคน ทำแล้วคุณจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเป็นกุศลสูงขึ้นสูงขึ้นคุณจะเกิดก็เพราะคุณยังไม่อยากจบวิภาวะตัณหาอาตมาแปละว่าตัณหาอุดมการณ์โดยเฉพาะพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าหรือพระโพธิสัตว์มีตัณหาอุดมการ์แม้แต่พระโพธิเจ้าอาตมาก็เรียกว่าตัณหาอุดมการในปางสุดท้ายของพระพุทธเจ้านี่มีตัณหาอุดมการ์อาตมาเรียกว่าเป็นความประสงค์ความต้องการหรือความอยากความปรารถนาแต่ปรารถนาดีถ้าไม่ได้ปรารถนาบำเรอตนแต่ท่านช่วยโลก พระโพิษัทที่มีความปรารถนาที่จะช่วยโลกจะเรียกว่าเป็นตัณหาก็เรียกได้นี่ไม่คานแย้งจะมาหแล้วคนมาถามกันย้อนแย้งอยากได้นิพพานเป็นตัณหาเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไรก็มันอยากอยู่อะมันอยากได้นิพพานใช่แต่เป็นตัณหาอุดมการณ์เป็นตัณหาไม่ใช่เพื่อบำเบลตนมันเป็นตัณหาเสียสละนะตัณหานี้ต้องมีในโลกไม่มีซะแล้วไม่มีการเพื่อผู้อื่นไม่มีการช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีการ การงานของผู้ไม่เห็นแก่ตัวมันไม่มีการงานของผู้ไม่เห็นแก่ตัวก็ซวยสิสังคมใช่ไหมอาตมาพูดผิดหรือเปล่าไม่ผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคนเข้าใจไม่ได้กิเลสที่หมายนี่คือกิเลสที่จะแสวงบํามำบเริตนเป็นการเห็นแก่ตัวนั่นแหละเหลืออัตราเหลือตัวตนเมื่อเราหมดกิเลสที่จะมาบําเริตนแล้วพระอริยเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าไม่มีกิเลสอันเนี้อันนี้เป็นความจริงที่มันมีอยู่ในคนจริงเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าเป็นพระอรหันต์เจ้าท่านจะตายศูญย์ ท่านก็ไม่ตั้งวิภพวตัญหาเมื่อไม่ตั้งวิพวัตัญหามันก็หมดสังสารวัตเพราะกิเลมันไม่อยากอะไรอีกมันก็ไม่ยังลงสู่คันแม้ท่านจะยังลงสู่ครนถ้าท่านมีบุญใช่ไหมกุศลวิบากของท่านสั่งสมมากมากท่านยังลงสู่คันท่านไม่เกิดเป็นแล่เป็นลูกเดรัจฉานท่านก็ไม่เกิดเกิดในท้องผู้ที่มีกุศลวิบากที่เหมาะสมกับบุญบารมีของท่านท่านก็ไม่ต้องการแล้วท่านก็เลิก เลือกได้ศูนย์ได้แล้วพระอริยเจ้าในระดับที่จะทําประโยชน์เสพให้แก่ตนนี่มันยังห้ามยากเลยแต่ถ้าจะทําประโยชน์ให้แก่คนอื่นเนี่ยถามหน่อยเธอคุณจะทําให้แก่ตัวเองกับเขาไปกับคนอื่นอันไหนมันทําง่ายกว่ากันอ่นนนนะทำให้สมใจตัวเองก็ทําให้คนอื่นอันไหนมันจะยากกว่ากันง่ายกว่ากันทําให้แก่ตนเองยากหรือง่ายยากทําให้สมใจตนเองตามกิเลสนี่ยากแต่ทําให้คนคนอื่นนั่นน่ะ มันทํายากแต่มันหยุดง่ายใช่ไหมเราจะไม่ทำในง่ายใช่ไหมอารามพูดอาจจะสับสนหน่อยในเมื่อกี้นี้ตอนที่ชัดนะนะจะทาให้กคนอื่นนี่มันมันจะหยุดในมันง่ายจะทําให้คนอื่นน่ะจริงมันอาจจะยากบ้างอ่ะแต่ว่าคนที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วถ้าต้องตั้งนาต่างๆฝึกฝนทําให้คนอื่นบำเรอตนง่ายแต่ชนะกิเลสตนยากช่วยคนอื่นนั่นนะถ้าจะช่วยคนอื่นนั่นนะกิเลสมันไม่ค่อยให้ทํามันยากนะมันยากมันจะหยุด เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหยุดไม่ช่วยคนอื่นพระอริยเจ้าจะหยุดไม่ช่วยคนอื่นไม่มีวิภวตัณหาง่ายไหมง่ายชัดแล้วนะง่ายเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ไม่เกิดอีกง่ายแล้วยังง่ายจะไม่เกิดอีกไม่ต้องสั่งเพราะวิภวตัณหาอีกไม่ต้องช่วยคนอื่นต่อแล้วยุดแล้วเรามีสิทธิ์ด้วยเราทําได้เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากเกิดอีกก็ไม่ยังอยากไม่อยากจะหยังลงสู่คันอีกเมื่อไม่อยากอริยเจ้าชั้นสูงแล้วเนี่ยกลามาตัณหา ภาวะตัณหาในศูนย์แล้วเหลือแต่วิภาวะตัณหาเพื่อสร้างสรรประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้นเมื่อหยุดไม่อยากจะสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นหมดทุกตัณหาหมดแม้แต่อย่างลงสู่ขันศูนย์สนิทการเกิดแก่เจ็บตายด้วยร่างขันอย่างนี้อีกที่มีดินน้ำไฟลมเป็นแท่งก้อนเป็นสรีระนี้ก็ไม่มีอีกเมื่อไม่มีอีกนี่คือความจบสนิทศูนย์กิเลสเป็นตัวเหตุ เมื่อสูญกิเลสแล้วจะสูญรูปนามขันห้าด้วยเป็นตัวตามเพราะการเกิดแก่เจ็บตายของกิเลสเข้าใจแล้วตอนต้นตอนนี้การเกิดแก่เจ็บตายเมื่อไม่มีรูปนามขันห้านี้จะมีแก่ไหมจะมีเจ็บไหมจะมีตายไหมไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายของรูปนามขันห้าของพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์เจ้าที่มีสิทจริงๆหมดกามตัหหมติหาหมดภวิปัสหาเมื่อไม่ต่อวิภตัสหา ย่อมสูญสนิทแล้วไม่มีการเกิดอีกเป็นจริงจริงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณเท่านั้นทีนี้คุณจะทำได้หรือไม่ได้คุณตามมาพิสูจน์ตัตามาท้าทายให้พิสูจน์พระศาสนาพุทธเราเนี่ยพ้นสังสารวัตรทั้งนามธรรมพ้นสังสารวัตทั้งรูปธรรมพ้นสังสารวัตทั้งกิเลสและพ้นสังสารวัตรทั้ง ตัวรูปร่างกายมนุษยชาติได้ด้วยประการละชนิดเพราะไปทําถูกเป้าตัวกิเลสเป็นตัวเหตุที่เกิดสังสารวัตรเพราะฉะนั้นตัณหามันมีอยู่สามท่านั้นแหะมีกามาตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาเพราะนั้นถ้าเข้าใจสุดท้ายแล้วเราล้างกามาตัณหากับภวตัณหาให้ได้ให้ชนิดสุดยอดเลยเสร็จแล้วเราเหลือแต่ชีวิตที่จะทําประโยชน์แก่ผู้อื่นมันเป็นตัณหาอุดมการณ์ คุณอยากจะสร้างสร้ต่ออยากจะเกิดอีกเกิดคุณสร้างกุศลไว้รองรับตัวคุณไปสิคุณจะเกิดอีกกี่ชาตินี่หมดไปด้วยกันนะชาติหน้าไปหมดหมดเนีม้มันยังไม่ถึงอราหันทร์ใช่ไหมสร้างกุศลไว้มากๆแล้วไปด้วยกันมันจะได้เบาวกว่านี่หน่อยทุกวันนี้เดาสร้างกันมาคนละกระจกกระแจักเท่านั้นเองเห็นไหมลรอวิบากก็ยังยากแล้วมันดูที่นี่ร่ารวยก็ไม่ร่ารวยอะไรก็ไม่มีบุญมากความร่ารวยและความยากจนมันก็คือกุศลอกุศลวิบากของเราจริง ๆ, ๆ เพราะเราเป็นตามเราฐานะของเราอาตมา ก, ก็มีตามฐานะของอาตมาแม้ขนาดนี้เราก็ยังเป็นอยู่ได้พิสูจน์ได้เลยว่าพอเรามาลดละตัวเองกินน้อยใช้น้อยทําให้ผู้ที่อยู่ใกล้ลูกเต่าเหล่าล้านญาติโกโยติกาก็หัดลดละลงมาได้ขยันมันเพิ่มขึ้นสร้างสรรค์มากกว่าที่จะใช้จ่ายเป็นคนมากน้อยสันโดษเป็นคนที่มีคุณค่าเหลือเฟือสร้างสรรค์มากกว่าที่จะใช้จ่ายมันก็เหลือเมื่อเหลือแล้ว ก, ก็มีปัญญาที่จะทําทานจะบริจาค นี่แหละสิ่งที่เป็นสัจจะเหล่านี้แหละมันเป็นกันอยู่ในระบบของพวกเราประงันถ้าเราทาให้กิเลสนี่แหละมันแก่มันเจ็บมันตายลงไปให้ได้มากๆความเกิดของกิเลสน้อยลงน้อยลงน้อยลงได้เท่าใดแังสารวัตหรือความเกิดแก่เจ็บตายมันก็จะสั้นลงสั้นลงคุณจะต้องไม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดมารับทุกข์ แม้แต่การเกิดเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงนี่เขาว่ามันทุกข์มากพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองนะไม่ใช่ผมไม่ใช่อาตมาพูดหรอกเกิดเป็นผู้หญิงนี่ทุกข์มากมันก็ยังหน่าขันหน้าขามพวกกระเทย น, นะแม้เป็นผู้ชายแต่แทนมันอย่างเป็นผู้หญิงอตาตมาถามจริงๆนะคุณอยากเกิดเป็นผู้ชายกันบ้างไหมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกข์ของผู้หญิงนิหนึ่งทุกจะต้องมีประจำเดือนสองทุกทจะต้องอุ้มท้องสามทุกจะต้องคลอดลูกหรือว่าคลอดลูกมันไม่ทุกข์ อย่าไปท้เดให้เขาวางยาสลบแล้วก็พาออกนะยังไม่ไมรู้เรื่องออย่างนั้นนะมันเป็นธรรมชาติที่นะทุกที่จะต้องบํเรอสามีเจ็บแสบจริงๆจริง ๆ, งๆคุณอยากเกิดเป็นผู้ชายจะไปอยากเปล่าเปล่าปฏิบัติธรรมเข้าแล้วมันก็เป็นเองคุณอยากให้ตายไปเดี๋ยวเกิดเป็นกระเทยนะ ใจมันอยากมากๆๆกแล้วไอ้สองของบุญบุญบารมีมันไม่เท่าใช่ไหมเนี่ยค น, นกเกิดปเป็เในกระเทยพวกนี้ใจมันวิ่งลำ้ำนาคไอ้บุญบารมีอยากเกิดเกิดเป็นผู้ชายอยากเกิดเป็นผู้ชายแต่มันไม่ได้เป็นบุญบารมีก็ต้องเกิดเป็นผู้หญิงอยู่างนั้นออกมาเป็นผู้หญิงหญ <c oughs> ิงจำมาแล้วนะ <nói> ทอมบอยเลยผู้ชายเลอะเลยเนี่ยเลอะเลย เ, ลยเลยแล้วไม่ได้เรื่องเดีราวอะไรเลยเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนั้นเยเป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายได้ดันผา ย, ยาไปเกิดผู้หญิงไอ้คนนี้มันก็ยิ่งหนักใหญ่เลย คืออวิชามากกว่าใช่ไหมมันคือมันโง่มากกว่าทําไมเป็นผู้ชายไม่ต้องไปมีประจําเดือนทุกมีประจําเดือนไม่ต้องไปทุกอุ้มท้องไม่ต้องไปทุกคลอดลูกไม่ต้องไปทุกบําเลิสามีอยู่ดีๆไม่ชอบไปดันพ่าอย่างเป็นผู้หญิงไปทําผ่าตัดด้วยแม่อย่าบังคนณอ้อวิชามันก็เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยอยู่ดีไม่ว่าดีเสร็จแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่หรอกเพราะมันท้องไม่ได้ไปผ่าตัดเรียบร้อยมันก็ท้องไม่ได้แล้วมันก็ไมปหลงด้วยหลงโลกีอารด้วยนะ บ้ามากไม่รู้เมื่อไรเขาจะรู้สึกตัวเพราะวันพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่เอะไม่สอนนะผมกระตรงกระเทยยิ่งเอามาบอกมาบวชแล้วไม่ต้องให้มาบวชกระทงกระเทยยังไม่เขาถาอะไรแล้วมันพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยมันมันมันยิ่งหนักกว่าอีกนะถ้าคุณจะเกิดเป็นผู้ชายก็เพราะ บ, บุญบา ร, รมีเป็นบุญกุศลของคุณต้องสร้างกุศลรไม่ต้องอยากหรอกจะไปอยากบอกแล้วนะอยากลวงหน้ามากกว่าเดี๋ยวจะมันล้ำหน้ากิเลสมากกว่าบุญบา ร, รมีจริงแล้วก็เกิดเป็นกระเทยจะยุ่งกันใหญ่นะ เพราะแม้คุณจะเกิดมาเป็นผู้ชายอย่าว่าแต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยเกิดมาเป็นผู้ชายเกิดมาเป็นคนมีบุญบารมีที่จะปฏิบัติประพฤติ ธ, ธรรมฟังธรรมรู้เรื่องเป็นเวเนยสัตว์สามารถที่จะอบรมตนเองฝึกฝนตนเองให้เจริญขึ้นไปสู่นิพพานใกล้นิพพานขึ้ น, นเรื่อยๆและเราก็จะมีประโยชน์แก่ตนเองมีประโยชน์แก่สังคมเรืยไป ดับความเกิดแก่เจ็บตายตัดสังสารวัตของความเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยประกาชน้นี่ของพุทธทิแท้จริงอัตมาว่าอัตมาพยายามที่จะพูดไม่ให้มันยาวนักแล้วก็ไม่ให้มันเลอะเทอะนักพยายามที่จะตั้งหลักพูดมีต้นกลางปลายให้คุณฟังคิดว่าวันนี้จะเข้าใจเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายได้ดีไม่น้อย แยกให้ชัดว่าของนามธรรมาของจิตวิญญาณและแม้แต่ของรูปธปรรมหรือขันห้าด้วยว่าเราจะสิ้นสุดเกิดแก่เจ็บตายทั้งรูปธปรรมและนามธรรมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเป้าหลักอยู่ที่อริยสัจสี่แม้เราเองยังเหลือขันห้ามันยังมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มันยังต้องให้ข้าวมันกินมันยังเรียกว่าเกิดหายใจเข้อเฮือกนึงก็ถื อ, อยังให้เกิดอยู่ทั้งนั้นยังมีเกิดมันยังไม่อนุ ป, ปารรทิเสสานิพานธาต อนุปาฏิเสสนิพานหมายความ่ามันยังไม่ตายด้วยรูปนามขันห้ามันได้แค่สะอุปาทิเสสนิพานได้ได้แค่ให้กิเลมันตายแต่ร่างกายยังไม่ตายตายชั้นหนึ่งนิพานชั้นหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นอนุปาฏิเสสนิพานได้แค่สะอุปาทิเสสนิพานที่นิพานที่เหลือขันห้าสะอุปาทิเสสะเสสะแปลว่าเหลือมันยังเหลือขันห้าเท่านั้นมันก็ยังมีทุกข์แต่ทุกข์แค่ขันห้า ทุกพออยังเกิดทุกเพออยังกินอย่างหายใจย่งให้มันเกิดอยู่ให้ร่างกายมันเกิดแล้วมันก็จะมีคุณประโยชน์สืบทอดศาสนาช่วยเหลือมนุษยชาติไม่ทํำยังไงมันก็ต้องตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็รักษามันเลี้ยงดูมันให้พอสมควรไม่ให้มันทุกร้อนเกินไปมันจะมีวิบากต้องเจ็บต้องป่วยบ้างก็ต้องทนเอาเพราะว่าทัง้งเจ็บต้องป่วยนะั้นเป็นพยาธิทุกหรือเป็นวิบากวิปลากระทุก เป็นวิปลากระทุกตรงที่ว่ามันเป็นวิบากมันจะต้องมีโรคมีภัยมีเจ็บมีป่วยอะไรมันก็เป็นเป็นธรรมดามันต้องแก่ถ้าคนที่ชัดเจนแล้วว่าความแก่เป็นธรรมดาโอ้ยแก่ก็ไม่กลัวแก่ก็ไม่ทุกข์หลายคนโดยเฉพาะอาจมาเคยเจอผู้หญิงโอ้ยมันเสียใจมันโอ้ยมันเสียวหัวใจมันแก่แก่ไม่อยากแก่เออแล้วมันไม่อยากแก่ได้ยังไงเรามนุษย์เดี๋ยวนี้คนที่พูดเนี่ยอายุ60กว่าแล้ว ผมเดี๋ยวนี้ก็ยอมปล่อยแล้วให้มันขาวแต่ก่อนน่ะยอมูยหน้าตานี่ไม่อยากสองกระจกมันแก่ลงก็มันก็ไม่จะห้ามมันได้เลยมันต้องแก่เพราะงั้นคนเขเข้าใจแล้วว่าคุณจะไปห้ามมันไม่อยู่หรอกมันต้องเกิดมันต้องมาเกิดอยู่แล้วมันก็ต้องถึงเวลามันก็ต้องแก่อายเจ็บก็พูดไปแล้วมันต้องแก่เมื่อแก่แล้วเราเข้าใจชัดแล้วเราก็ไม่ต้องทุกคนเราเนี่ยมันไม่ทุกมากเท่าไหร่ดอกแก่บางคนไปอุปทานติดยึดมากหน่อยมันทุกเพราะแก่แล้วไปทุกใจเพราะแก่หูไม่เขาทา ไอ้เจ็บป่วยมันก็เจ็บจริงปวดจริงมันก็เอาเถอะมันทุกไปยิ่งเมื่อเข้าใจแล้วแก่ก็ไม่ทุกเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจในสัจธรรมชัดตายแล้วก็จะไม่ทุกเราจะไม่กลัวตายเมื่อมันยังไม่เป็นพระอรหันต์เจ้าที่จะปรินิพานมันก็ต้องตายแล้วเราจะรู้แล้วว่าตายก็เป็นเพียงความวนเวียนถ้าเรายังไม่ถึงขั้นศูนย์สนิทที่จะต้องปรินิพานคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะเชื่อมั่นคุณจะเห็นจริงขึ้นมาเรื่อยๆเร ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนกระทั่ง สุดท้ายท่บอกว่าพระอรหันต์อาจารย์ไมกลัวตายหรอกท่านก็ไม่กลัวจริงๆไม่กลัวทุกหรอกไม่กลัววิบากหรอกไม่กลัวอุปสรรคอะไรเนี่ยจะไม่กลัวจริงๆอาตมาเห็นจริงและอาตมาก็ว่าอาตมาเห็นจริงแล้วเป็นจริงทุกวันนี้หลายคนเชื่ออาตมาเออโดนมรสุมโดนอุปสรรคดูงี้ไม่กลัวไม่กลัวทุกไม่กลัวเจ็บไม่กลัวปวดแต่ยังไม่ถึงขั้นตายนี่ยังไม่ได้พิสูจน์นีแต่ยังไม่ต้องถึงก็ได้นะไม่เป็นไรยังไม่ต้องถึงให้อาตมาต้องยิงเป้าแล้วจะได้พิสูจน์แล้วจะได้เชื่อเชื่อต่อเมื่ออาต ให้อยู่ก่อนอาตมาไม่ใช่ว่าอาตมา ก, ก็ยังอยากอยู่หรือไม่อยากอยู่อะไรนะัก็เป็นไปตามมิบากนะเพราะงั้นก็ว่าไปอาตมาว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ท้าทายคุณพิสูจน์คุณจะไม่กลัวตายแล้วคุณจะเบิกบานจำใสก็แค่เข้าคุกเี๋มันจะไมะไ ม, มีปัญหาไล่ก็ตายมันก็ไม่กลัวแล้วอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ตุ้งสถียรอะไรแล้วจะเข้าคุกสิปีแค่เท่าตายยังไม่กลัวเลยเข้าก็เข้าไปสิคุก10ปีก็เข้าขไปเที่ยวในคุกมั่ง ไม่ใช่เขาไปเดินเล่นในง่ายเมื่อไหร่เราก็มีบุญเหมือนกันในเขาไปได้เดินในคุกไม่ได้เที่ยวง่ายเมื่อไหร่ไไปเที่ยวในคุกมันก็ดีเหมือนกันมันไม่มีปัญหานะนี่หละเป็นคนที่ไม่มีปัญหาไม่เจ้าปัญหาตัวเองก็ไม่มีปัญหามันสบายเพราะงั้นเมื่อมันสบายมันก็ไม่ต้องมาหน้านียวคิ้วขมวดไม่ตรงมาหน้าหียวหน้ารอยเจออย่างง้นหน่อยเจออุปสรรคอย่างนี้หน่อยก็กลัวก็ยังง่นอย่างงี้มันจะไม่กลัว เพราะมันพบความจริงคนกลัวเพราะยังไม่รู้แจ้งความจริงมารู้แจ้งความจริงถึงความจริงแล้วความกลัวจะหายลงไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆและชีวิตก็สบายมีแต่สบายๆ ส, สบายเนือก็เบิร์ดแยะเบิร์ดน่ยมันสบายไม่ได้ขรตาแล้วมันสบายแบบโลกีในคําลองมันก็บอกชัดอยู่แล้วแต่นี่สบายเนือ้อกว่านั้นอีกอย่างจรงิงจังนะ阿拉ก็เป็นอันว่าเราได้สาธยายถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของพุทธมาให้ฟังในเวลาอันสั้นๆนี้ คิดว่าคนฟังใหม่ก็คง ฟ, ฟังได้ยิ่งคนเก่าๆมีสภาวะรองรับแล้วจะเห็นจริงขึ้นมายังเหลือแต่อยู่อะไรทำเอาปฏิบัติเอาให้มันจริงให้มันได้เท่านั้นแหละและไม่ต้องมาฟังอัตมา ก, ก็ได้ หรือจะฟังก็ได้ยิ่งลึกซึ้งยิ่งประทับใจเพราะว่ามันเป็นธรรมมาธีโอ้ยจริงเราได้สิ่งประเสริญนี้มาเพราะอันนี้แล้ยิ่งฟังเมื่อไหร่ก็ยิ่งจำแม่นและยิ่งเอาไปสาธยายสู่คนอื่นต่อไปความสืบทอดของาศาสนาก็จะเหลืออยู่ถ้าเผือว่าสารัะเป็นสาระสัจจะพวกนี้มันไม่มีแล้วาศาสนาก็สูญหรือเข้าใจเพียเพ้ยน ผ, ผิดไปเรื่อยเบียบ้ยวไปเรื่อยาศาสนาก็เบี้ยวออกไปเรื่อยพุทธศาสนาก็ล่มเลวไปเรื่อย เพราะฉะนั้นจงพยายามที่จะมาพิสูจน์มายืนยันเอาตัวเรานี่ยไปปฏิบัติเนื้อแท้ของศาสนาให้ได้ใครจะว่ายังไงก็ว่าไปนะถ้าเราทําได้จนกระทั่งรู้แจ้งในเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายและเราก็ตัดสังสารวัตของการเกิดแก่เจ็บตายไปได้อย่างชัดแท้ดังที่ได้กล่าวแล้วทั้งรูปและนามเราก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงมั่นใจในศัจจธรรมนี้อย่างไม่มีวันถอดถอนเอวัง